ระดับต่อไปนี้อรรมาภาพจะได้กล่าวธรรมกถาขอให้สทธยายโยมทั้งหลายจงตั้งใจให้สงบเพื่อที่จะได้ตั้งจิตได้รับฟังเสียงที่ไม่มีการขยายใช้เสียงธรรมชาติผู้พูดก็จะตั้งใจพูดขอให้ผู้ฟังตั้งใจฟังด้วยนะเพราะคนสมัยนี้ถ้าหากว่าเราขาด วิทยาศาสตร์หรื อ, อเทคโนโลยีต่างเข้ามาช่วยแล้วดูเหมือนว่าจะทําอะไรไม่เป็นกันเลยดังนั้นวันนี้เพื่อพิสูจน์ถ้เห็นว่าแม้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้นะไม่มีไฟหรือไม่มีเสียงแต่ว่าเราก็ใช้เสียงธรรมชาติในสมัยครั้งพุทธเจ้าหรือครั้งพุทธการนั้นท่านก็คงจะไม่ได้ใช้ไม้ไม่ใช้ไฟแบบยุคปัจจุบันนี้ ก็ยังมีคนสามารถฟังทำเข้าใจและมีความสามารถในการเข้าถึงทำขั้นสูงเป็นพระสกีธาพระอนาคาพระรหังกันมากมายแต่ในสมัยนี้สิที่เรามีเครื่องขยายเสียงดังลั่นบ้านมีเครื่องอที่จะทำให้เราได้ยินได้ชัดเจนได้ทุกที่ทุกแห่งแต่ก็ เราก็ไม่สามารถเข้าถึงชัจธรรมของพระสมัยสัมพุทธเจ้าได้สะดวกก็เพราะว่าธรรมชาติของเราได้หายไปจิตใจของเราก็วอกแวกหวันไหวไปกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นญาติโยมทั้งหลายทุกอย่างเราจะต้องทาใจว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะไปหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นมันจะเป็นทุกข์ เราทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ที่สำคัญคือเราจะต้องมีความตั้งใจนะให้ตั้งใจให้สงบเคารพในพระธรรมเทศนาไม่มีการพูดคุยเคลื่อนไหวใดๆเพื่อที่จิตใจของเราจะได้ตั้งมั่นในขณะที่ท่านฟังนี้จะได้ยินบ้างไม่ไดีินบ้างแต่ว่าท่านก็มีจิตที่สงบถ้าหากว่าทำใจ ให้เคารพธรรมเทศนาก็ได้กุศลไปแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้อาตมาภาพเดินทางมาจากทางไกลนะจากจังหวัดแพร่มาถึงจังหวัดเลยสามรอยกิโลเมตรจากจังหวัดเลยมาถึงนี่อีกสามรอยกิโลเมตรรวมแล้วก็ประมาณหกร้อยกิโลเมตรแต่ท่านทั้งหลายมาจากบ้านนี้เมืองนี้คนละสิบกิโลบ้างยี่สิกิโลบ้างห้ากิโลบ้างสิบกิโลบ้างก็ถือว่า ใกล้มากทีเดียวนะดังนั้นอาตมาหรือกระผมก็ข อ, อเบื้องต้นนี้ขอข อ, ข อ, อนมากราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าทุกรูปที่มีจิตศรัทธาพายาโยมมาจากวัดวาอารามของท่านได้มาฟังเรียกว่าธรรมเทศนาเนื่องจากวันนี้เป็นวันโกนวันพรุ่งนี้เป็นวันพระ อัตมามาเที่ยวนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาว่าจะมาพบท่านทั้งหลายที่นี่แต่โดยบุญสัมพันธ์ด้วยกุศลสัมพันธ์ที่เราได้ต้องมาพบกันในวันนี้ตามภารกิจหลักแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวัน15คำ่ำมีงานที่ทำประกอบขึ้นเพื่อความเป็นกุศลทั้งสองฝ่ายเขาเรียกว่าสันติภาพไทยลาว จะให้มีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันมะืนหนึ่งวันหนึ่งคืนและในพร้อมกันนี้ในการขึ้นบูชาพระธาตุพนมในครั้งนี้ก็มีการจัดให้มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมตลอดทั้งคืนที่พระธาตุพนมอาตมาก็เป็นรูปหนึ่งที่ได้รับนิมนต์มาในการบรรยายในงานนั่ น, นก็เลยมา ก, ก่อนด้วยว่า ที่อำเภอบ้านแพงนี่มีญาติธรรมสองสท่านหรือ 3-4 ส, สท่านครอบครัวหนึ่งครอบครัวของคุณแม่เสริมคุณนกยูงได้ไปประพฤติปฏิบัติกาธรมมาหลายปีที่จังหวัดแพร่ที่สำนักวัดแพร่แสงเทียนและปัจจุบันนี้ก็เป็นพระทาชแสงเทียนอีกสำนักหนึ่งได้ไปปฏิบัติได้ศึกษาวิชากรรมฐานแบบเคลื่อนไหวมาจากจังหวัดแพร่ ทีนี้เมื่อทั้งครอบครัวนี้ได้รับประโยชน์ได้มีความสุขสงบตามอัตภาพตามกําลังสติปัญญาของตนแล้วก็ในเมื่อได้ทราบว่าจะมาจะเดินทางผ่านมาทางนี้เพื่อที่จะได้ไปแสดงธรรมที่วัดพระธาตุพนมก็เลยนิมนต์แวะเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็คงจะมาแจ้งให้หลวงพ่อจเจ้าวาดได้ทราบเมื่อหลวงพ่อจเจ้าวาดได้ทราบแล้วเป็นผู้มีศรัทธาเข้มแข็ง การที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับพระธรรมเทศนาได้บางครั้งบางคราวที่ว่ากาเลนะธรรมสวัังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการเวลาถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดและพร้อมกันนั้นพระคุณเจ้าแต่ละวัดก็ได้ตั้งใจมีความศรัทธา ม, มาดังนั้นก็จึงไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาเป็นเหตุการณ์พิเศษดังนั้นสิ่งที่กระผมและอัตมาจะนํากล่าวต่อไปนี้มีอะไรที่ ผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ต้องใจก็ต้องขออภัยแต่ต้นเพราะว่าเราเพิ่งมาพบกันยังไม่รู้จักนิสัยใจคอซึ่งกันและกันแต่โดยที่เราอาศัยพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวเชื่อมซึ่งเปรียบเสมือนแจกันเดียวกันเป็นแจกันทองดอกไม้ที่มาเสียบมาปักอยู่นะ้นอาจจะเป็นดอกไม้หลายเผ่าหลายพันหลายสีหลาย เอาบ้านเอามาเสียบเข้าในแจกันเดียวกันก็รู้สึกเป็นดอกไม้ที่งดงามกวปลูกไว้ในสวนเหมือนกันพวกเราทั้งหลายอยู่ในธรรมวินัยเดียวกันเมื่อมารวมกันเป็นแจกันแห่งพระธรรมวินัยทั้งสองข้างดอกไม้ก็สวยงามนะนั่นเองวันนี้ด้วยเวลาที่จํากัดเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเพื่อที่จะให้ไม่เสียงมากเกินไปขอเสียงสักนิดหนึ่งคุณเจ้าคนไหนที่ถนัดเรื่องเสียง เพราะว่าอาจจะใช้เสียงไม่ได้นานถ้าหากว่าไม่ช่วยเสียงหน่อยหนึ่งนะดังนั้นในสิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าการที่ครอบครัวของแม่บุญเสริมหรือคุณนกยุงไปศึกษามาหลายปีเนี่ยมีผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจของท่านถ้าหากว่ามันไม่มีผล เท่าที่ควรหรือไม่มีผลดีท่านคงไม่เทียวไปเทียวมาในการปฏิบัติสามารถนำลูกนำหลานไปบวชปฏิบัติ ด, ด้วยก็หลายคนนะดังนั้นอาตมาก็อยากจ ะ, อะบอกว่าบ้านเรามีบุญกุศลนะที่ได้ตัวแทนไปศึกษาเรื่องนี้มานะเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้เรียกว่าศึกษากรรมฐานกันมาโดยเฉพาะใน ภาคอีสานทางเราดด้านนี้ติดทางหนองคายนครพ น, นมสกลนกครแถวนี้ก็เป็นดงพระอริยะเป็นดงพระกรรมฐานมีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างหลวงพ่อเสาพระอาจารย์มั่นหลวงพ่อฟันหลวงปู่เทศวัดินมักเป่งหลวงพ่อขาววัดธรมกงเพลนล้วนแต่เป็นพระอริยะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่ท่านทั้งหลายก็ยังไม่จุไม่อิ่มใจในการศึกษาในการภาวนาของท่านก็ยังได้มีการได้ยินได้ฟังและฝึกฝนเพิมเ่มเติมอยู่เป็นประจำตามหน้าที่ของชาวพุทธนั้นชาวพุทธที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยอศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาและโดยจาคะอยู่เสมอ นั้นเองในเที่ยวนี้จะมาอยากจะนําเสนอในเวลาอันสั้นว่าชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยมันประกอบด้วยสิ่งสองสิ่งนะประกอบด้วยกายกับใจประกอบด้วยรูป ก, กับนามเมื่อชีวิตของเรามีกายกับใจมีรูป ก, กับนามแล้วทําไมเรื่องมันเยอะเหลือเกินนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราคิดกันมาเยอะตั้งแต่รู้จักความจะมาถึงปัจจุบนันนี้เราก็ยังหยุดคิดไม่ได้เราคิดกันเรื่องอะไรบ้าง คิดกันแค่สองเรื่องเรื่องกายกับเรื่องใจเรื่องกายแล้วก็คิดว่าเราจะหาปัจจัย4นะไม่ว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยแค่4ตัวนี้มาเลี้ยงชีวิตแต่เราก็คิดกันทั้งวีทั้งวันเพราะว่ามันเกินในส่วนที่เราต้องการแม้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องการอาหารเพียงไม่เกินสามมือ้อ แต่เราก็หาวันหนึ่งหลายกระสอบหลายยุ่งใหญ่ฉางเราต้องการหารเพียงไม่กี่จานต่อวันแต่เราก็เหลือเผื่อไว้มากมายอันนี้คือส่วนเกินมันทำให้เราเป็นทุกข์ในส่วนกายในส่วนใจก็เหมือนกันเราต้องการที่จ ะ, ะคิดเพียงเพื่อที่จะทำภารกิจให้สาเร็จประโยชน์แต่เราก็คิดมากมายนะจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายกลับมา ที่กายที่ใจกันใหม่ว่าต้องหันไปทางอื่นอุบายศกหันหน้งนั้นมันก็จะหอนหันหน้าไปทางอื่นดังนั้นเองเมื่อเรามีกายมีใจแค่สองอย่างเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจการศึกษาร่างกายและจิตใจให้เข้าใจตามความเป็นจริงนั้นเราก็สามารถใช้กายใช้ใจของเหล่านี้แสวงหาความสงบสุขในชาตินี้ให้ได้แต่ว่า น้อยคนที่เราจะตั้งใจศึกษาและเข้าถึงเพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำระเบิงต้นทำบุญทำทานรักษาศีลตามประเพณีแต่การที่จะศึกษากันอย่างจริงจังจนกระทั่งหายสงสัยเรื่องกายเรื่องใจนั้นมีน้อยมากแต่ว่าก็มาเอาคือคนเป็นๆ น, นะาอแล้ว ว่าใช่สู้เสียงเปล่าเปล่าไม่ได้นะถ้าเสียงอะไอันนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเรื่องกายกับใจสองเรื่องเนี่ยมันขยายออกามาเป็นแปดหมื่นสี่พันเรื่องนะเรื่องมันเลยเยอะเนะี่ยช่างเราไม่มีเลยนะช่างช่างเครื่องขยายไม่มีพระหลายวัดท่านก็มีเครื่องอยู่นะท่านแคช่างท่านเป็น ทาที่ท่านทำเป็นมีอยู่ดนะังนั้นเองก็อยากจะให้ใช้เท่าที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากการมารวมกันครั้งนี้ราะเรื่องกายเรื่องใจนี้ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้กรรมฐานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเนี้ยในเขตสกลนครคำตะก้าอาตมาเองเคยได้รู้จักพระอาจารย์ที่มี วาทศิแลแหลมคมและน่าฟังมากท่านหนึ่งในเขตนี้ก็คือ พ, พ่อจย์สมภพที่ท่านได้เจ็บป่วยลงอาจรย์มาก็เคยมาจําภาษาด้วยกับท่านได้มึงศึกษาอยู่แต่ว่านั้นก็คือเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีๆจากท่านการเพียงได้ยินได้ฟังเพียงสุตะมยาปัญญานั้นไม่เพียงพอ เพราะในพุทธศาสนานั้นเราจําเป็นจะต้องดําเนินจากสุตตะมิจปัญญาพัฒนาให้เป็นจินตามยาปัญญาและจินตามยาปัญญายังไม่พอต้องพัฒนาให้เป็นภาวนามนยจปัญญาด้วยดังนั้นเองเราศึกษาพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดปัญญาและปัญญาตัวนี้จะทําให้เรามารู้จักตัวเองพ อ, อ, ลอษษแล้ววันศุกได้ท่อไดก็เอาท่านนั่นนะ ขอขออาภัยในความไม่สะดวกด้วยน ะ, ะก็เพ่ชวรนิดหนึงเนาะดังนั้นในลําดับที่เราทั้งหลายจะต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเมื่อเราเกิดความเข้าใจนั้นอะไรก็ตามที่ทําไปได้วยความไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญาเราไม่เห็นประโยชน์เราก็ไม่ทําหรือทําแบบ พอเป็นพิธีแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าญาติโยมหรือแม่อตมาเองก็ตามสมัยเมื่อพศ .2510 อ, อ, 25 10, อตมาบวชเข้ามาเป็นสามเณรได้ศึกษากรรมฐานแบบพื้นบ้านกรรมฐานโดยการตกคลูกประคำเทระเม็ดละเม็ดเดพราะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาบวชเนนไม่ใช่บวชง่ายๆเหมือนสมัยนี้ต้องมาอยู่วัดมาท่องสวดมนต์ปี2ปี เมื่อเป็นเด็กวัดแล้วท่องสวดมนต์เป็นแล้วต้องไปเรียนสัมเนธสิขาเรียนสัมเนธสิขาแล้วต้องไปสอบเพื่อเอาใบอนุญาตถ้าไม่ผ่านสามเนธสิขาเขาก็จะไม่อนุญาตให้บวชมันบวชยากสมัยก่อนอาตมาเองก็เหมือนกันเป็นเด็กวัดเรียนสวดมนต์เปแล้วมาเรียนสัมเนธสิขานล้วมาบวชเป็นสามเนธพศ2องพหลังจากบวชเป็นสัมเนธแล้วก็ต้องมีธรรมเนียมทั้งเหนือเนี่ยต้องนั่งกรรมฐานถ้าบวชเป็นสัมเนธต้องบวช นั่งกรรมฐานสมวันเปาบวชเป็นพระต้องนั่งกรรมฐานเจวันด้วยธรรมเนียมมันนี้เองทําให้เราได้ปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่บวชเข้ามาสมัยนั้นอาตมาจําได้ว่าไปนั่งกรรมฐานโดยการท่องอพุทโธบ้างอิติปิโสบ้างแล้วก็นับรูปประคำไปทีละเม็ดละเม็ดกรรมฐานเบื้องต้นที่สุดอาตมาได้ศึกษาปัจจุบันนี้คงจะไม่ค่อยมีแต่เห็นของ รูประคำเต็มคอแต่ว่าไม่ค่อยมามานั่งภาวนากันเพราะนั้นรูประคำนี้เพื่อให้เป็นอามาตกทีละเม็ดละเม็ดว่าอิติปิโสพะควาอิเม็ดหนึ่งปิเม็ด 1, โสเม็ดหนึ่ ง, งไปเรื่อยๆรอบหนึ่งเม็ดก็เอาหินมาวางไว้หนึ่งก้อนอ่ารอบที่สองวันหนึ่งถ้าหากว่าภาวนาได้ 1,000 พันรอบอ่านี่สำหรับตอบร้องพระคุณพ่อ ได้สองพรอบตอบสนองพระคุณแม่ได้ 3, สามพรอบตอบสนองคุณปู่ย่าตายายได้4ี่พันรอบตอบสนองคุณครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆเราตกลูกประนับเป็นอุบายว่าตอบสนองบุญคุณผู้มีพระคุณแต่มันเป็นอุบายกรรมาฐานในช่วงอรตมาตกได้3วันเนี่ยธรรมาก็เลยจิตนิ่งเป็นสมาธิจนสามารถที่จะ เ, เรียกว่าอะไรมาแต่ามาตอม อะไรนี่ไ ม, ไม่ไม่รู้น่ะนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงต่อวันอันนั้นเป็นกรรมาฐานเบื้องต้นเมื่อต่อมามาเป็นสมณีเรียนหนังสือดังหาจนได้นักธรรมได้บาลีพอสมควรมาบวชเป็นพระที่มาบวชเป็นพระอามา ก, ก็สมัยนั้นได้ศึกษาหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสจนหลายหลายเล่ม เมื่อบวชพสสองพ่อาธมาก็เลยได้เป็นหัวหน้าพระนวกะอยู่ที่วัดประยูรวงศสาวาสกรุงเทพประมาณ40รูปพานวกะก่อนที่จะศึกหาราเพศนะ่ะมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่สวนโมกเป็นเวลาสิบวันหลังจากส่งพระนวกะกลับไปกรุงเทพแล้วธรรมาก็ไปมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่รับพุทธธาตุอยู่3าสปีก็มาทํา เปลี่ยนจากตกกลประคมาเป็นนั่งรับลมหายใจเรียกว่าอาณาปานสติหายใจเข้านับหนึ่งสองสาหาหายใจออกก็นับหนึ่งสอห้าอยู่เงี้ยทำไปสักพักหนึ่งมันก็สงบสงบแล้วสักพักหนึ่งมันก็ง่วงง่วงแล้วก็หลับไปนั่งหลับอย่างสบายอ้าววันใหม่ก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเอ เราก็มันง่วงอยู่ทุกวันมันจะได้ประโยชน์อะไรคนนั่งหลับตาแล้วก็ง่วงแล้วก็สงบมันก็ขาดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติกรรมฐ า, านไปนั่งเข้าตัวแข็งสงบแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรก็ในที่สุดก็ไปเรียนหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่อผมปฏิบัติแล้วผมนั่งหลับตาทีไรมันก็จะง่วงเงาหรือหลับไปวันไหนสติสนี่ยมันดีมันก็ได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ อพ อ, อ, อจากความสงบไปแล้วเวลาไปทําการทํางานทํำนูน่นทำนี่ผมก็ฟุง้งซ่านเหมือนเดิมมีใครมาพูดไม่ถูกหูไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกตาพาอะไรไม่ถูกใจก็ยังหงุดหงิดยังขัดเครื่องอึดอัดขัดเครื่องอยู่เหมือนเดิมแล้วผมจะเอาชนะมันได้อย่างไรท่านก็บอกว่ารายละเอียดในการแก้นิ้วอนต่างเนี่ยผมได้บรรยายไว้หนังสืออานาปณะสติ16ขันอย่างละเอียดให้ท่านไปอ่านดูตรงนั้น ท่านก็แก้ไขด้วยวิธีให้เรากลับไปอ่านหนังสือซึ่งทําอย่างนี้อยู่หลายครั้งหลายคราวก็เราก็มีความเลื่อมใสติดในความสุขสงบเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถจะออกอลดละมานะทิฏฐิอะไรได้มีอะไรมากระทบกระแทกมาทําให้หงุศงหิดติดอารมณ์ก็ยังติดอยู่เวลาไปนั่งกับระธานก็นั่งหลับคอหักค อ, อพับคอเอีอยงอย่างนั้นก็ทําอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีทางไป ในที่สุดปีพศส 2, 19, องพอาอาตมาได้พบหลวงพ่อคนหนึ่งด้วยการแนะนําของลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อเทียนกิตตสุโภอมาก็ไปนั่งกรรมฐานเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนหน้ากคยพบท่านในอามาเรียนมหาจุรามหาวิไลสงฆ์ที่วัดมหาธาตุไปเรียนวิธีหนอกับหลวงพ่อโชโดกหรือพระธรรมเทิราชมหามนุนีอยู่ปีหนึ่งไปทําหนอก็เหมือนเดิมได้ความสงบได้สงบเข้าชานตัวแข็งได้ แต่ว่าเวลาออกมาจากความสงบแล้วเวลาไปทําการทํางานก็ยังหงุดหงิดติดอารมณ์ใครพูดอะไรทําอะไรไม่ถูกอาหูดูอะไรไม่ถูกใจคิดอะไรไม่ถูกอารมณ์ก็ยังไม่สบายยังพอใจไม่พอใจอยู่นั่นเองแล้วเราจะเอาชนะตัวเองได้อย่างไรในที่สุดเมื่อได้พบกับลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนติวเตอสุโพได้มาบอกวิธีกรรมาฐานแบบยกมืออาตมาก็ลองทําดูบ้าง แต่ก็ทําไม่ติดพ่ออะไรเพราะจิตมันไม่สงบก็ถามท่านว่าเอ้ยยกมือขึ้นลงนี่มันจะสงบได้ไงแล้วท้ายแถามไม่ให้หลับตาอีกต่างหากกรรมฐ า, านทั่วไปท่านให้หลับตาทําแต่นี่ลืมตาทํามันจะเป็นกรรมฐ า, านได้อย่างไรท่านก็ถามท่านเอา้าเวลาท่านไปทําการทํางานไปซื้อไปขาย ท, ทําไรทํานาท่านลืมตาทําหรือหลับตาทําก็ลืมตาทำเอา้าทํำไมไม่หลับตาทำละ่ะท่ามันดีอะ เอาหลับตาทำมันก็ทำไม่ได้เสีย ก, กรรมฐานก็เหมือนกันจะไปแยกกรรมฐานออกจากชีวิตจริงได้อย่างไรท่านก็ว่าอย่างของท่านไปเอาเราทำแล้วก็รู้สึกไม่สงบอยู่ดีเพราะมันแปลกเพื่อนนั่งลืมตายกมือดูเหมือนว่าไม่ใช่กรรมฐานเอาเลยนะแต่ด้วยความเลื่อมใสในคําสอนหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นปรามัตดดูอริยสัจเห็นนิพพานเอ๊เป็นคําอะไรสั้ น, นดูรู้กายเห็นใจดูกายเห็นจิต ก็มาทําดูกวถ้าจะดูใจก็มาดูกายเพราะกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเองไม่ได้มันพับตาอ้าปากหายใจเหลวซ้ายเลอขว่เองไม่ได้มันต้องอาศัยใจเมื่อเราจะดูใจก็ดูกายนั่นแหละดูกายเคลื่อนไหวดูใจมันก็นึกคิดมันก็ดูกายเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นใจเองอถ้าหากว่าเราจะดูใจมันเป็นนามธรรมเนี่ยเราจะไปเห็นมาได้อย่างไรเหมือนกับเราทําหุ่นไลกาหุ่นมัน เรียกว่าโบกไปโบกมาก็ด้วยอำนาจของลมตัวหุ่นเองมันก็ดิ้นไม่ได้ฉันใดก็ดีร่างกายของเราเคลื่อนไหวไปมาทำอะไรได้ก็ด้วยอำนาจของจิตนั้นเราอยากจะดูจิตก็ดูกายให้เป็นดูกายเป็นแล้วก็ดูจิตเป็นท่านกสอนอย่างนี้อาตมาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ด้วยที่ว่าคำสอนของท่านคมคายฟังแล้วไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นและท่านก็ไม่ให้หลับตาเสียด้วย บอกว่าหลับตานั้นมันทําให้จิตของเรามันไปลึกอพอลืมตาแล้วมันก็ไปไกลหลับตามันก็ไปลึกลืมตาแล้วก็ไปไกลเวลาภาวนานนะอจิตมันอยู่ใกล้ๆอย่าให้มันใกล้เกินไปแล้วอย่าให้มันไกลเกินไปใกล้แต่พอดีนั่นว่าท่านก็บอกให้ยกมือตอนแรกกระทำมาไม่ยกอเพราะอะไรเพราะหลับตามานานพุดโธก็หลับตาหนอก็หลับตานับปลอมหายใจก็หลับตาเอามานั่งแบบนี้ไม่ให้หลับตามันทนไม่ได้ ในที่สุดก็เลยฝืนใจทำเพราะเห็นเพื่อนนั่งลืมตาทำโยกมือเป็น14จังหวะโยกแบบไหนเดี๋ยวอาจจะยกให้ดูนะยมตั้งใจดูบางคนอาจจะเคยอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็ได้นะมือวางไว้บนเข่าเนี่ยเอาทุกคนลองทำดูนะลองทำดูลองศึกษาดูเนี่ยวางมือทั้งสอง พิกมือขวาตะแคงขึ้นบนเข่าขวายกมือขวาขึ้นข้างลำตัวเอามือขวามาหน้าท้องตั้งมือซ้ายบนเข่าซ้ายเอามือซ้ายยกขึ้นข้างลำตัวเอามือซ้ายมาประกบกับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกเอามือขวาเอาข้างลำตัวตั้งมือขวาลงที่เข่าขวา ตั้งลงแล้วก็ค่วมลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกเอามือซ้ายออกข้างลาตัวตั้งมือซ้ายลงบนเข่าซ้ายก็ควลงเอาอีกเอาอีกครั้งหนึ่งนะตั้งมือขวาบนเข่าวขวาตั้งมือขวาขึ้นที่เข่าวขวายกมือขวาขึ้นข้างลาตัวเอามือขวามาหน้าทอ้อง แล้กตั้งมือซ้ายบนเข่าซ้ายยกมือซ้ายขึ้นข้างลําตัวเอามือซ้ายมาประกบมือขวาที่หน้าท้องเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกเอามือขวาออกข้างลําตัวตั้งลงควบลงอ่ะแล้วก็เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกเอามือซ้ายออกข้างลําตัวตั้งลงแล้วก็ควบลงข้างละเจ็ดมันเป็นสิบสี่เนี่ย ดูนะหนึ่งสอี่ข้างนี้ก็หนึ่งสองมี่ากเ็ดอามาก็มารู้ทีหลังว่าคำว่าข้างและ7จเนี่ยท่านบอกว่าตัวพุท ธ, ธะมันจะเกิดขึ้นด้วยวาระของจิต7ชั่วขณะ7ชวนาจิตชวนาที่สื่อที่หนึ่ง มันหยุดชวนะที่สองมันเคลื่อนชวนะที่สามมันหยุดชวนะที่สี่มันเคลื่อนชวนะที่ห้ามันหยุดชวนะที่6มันเคลื่อนชวนะที่เจ็ดมันหยุดมันมีอยู่เจ็ดชวนาจิตจิตแต่ละครั้งมันทําหน้าที่อยู่เจ็ดชวนะเมื่อแต่ละเจ็ดชวนะมีตัวรู้เข้าไปกํากับด้วย พุทธภาวะก็จึงเกิดตรงนั้นก็คือตัวรู้เกิดในการหยุดในการเคลื่อนเพราะต้นตอของชีวิตของเราประมาณมีแค่2 อ, อย่างคือการเกิดและการดับจิตใจของเรามีได้เพราะอาการเกิดและดับอาการเกิดเปิดเสมือนมันเกิดมันเคลื่อนอาการหยุดเปิดเสมือนดับ การเกิดดับของจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเราไม่สามารถจะเห็นได้ทันทีมีความถี่สูงจนเราไม่สามารถจะไปนับความถี่มันได้แต่เราสามารถที่จะติดตามความถี่ของจิตจากร่างกายได้ข้างนี้7แล้วก็เห็นความถี่มา7ข้างนี้อีก7แล้วก็เห็นความถี่บวกกันแล้วเป็น14ครบไหมเอาลองทำอีกทีนึงนะเอาพร้อมกัน1นึสองสาม มาทางนี้ก็ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ท่านบอกว่า14จังหวะมาจากการเสด็จพระบาทของพุทธิเจ้า 7, 9 ขณะที่ท่านประสูทธ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่าระหว่างสิทธัพประวัติกับพุทธประวัติเปนคนละเรื่องกันสิทธัพถัประวัติเราอาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอะไรแต่เรารู้จากพุทธประวัติแต่พุทธประวัติส่วนใหญ่แล้วเป็นปริศนาเพื่อจะฝังรากของป ร, ม, ธธรมัชญธรรมคําว่าเดินประยุทธ์มาเดินได้7จก้าคนทั่วไปเป็นไปไม่ได้นะ ท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านตรัสสรู้มานี้ก็คือคนทั้งหลายก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนคนทั้งหลายแต่ว่าด้วยโบราณอาจารย์หรือพระอริยเจ้าท่านหลายท่านก็ต้องการที่จะฝังปรมา ธ, ธรรมลงไว้ในสมมุติธรรมเพื่อจะได้สืบทอดกันมาได้หลายพันปีด้วยการเอาตัวพุทธภาวะจากการเกิดและการดับของจิตนี้มาเป็นรูปธรรมให้ได้ อันนั้นเองเมื่อพุทธภาวะเกิดขึ้นในจิตของเราด้วยอาศัยการรู้อยู่เจขณะเหมือนเจเกเหมือนพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกคันมันดาคําว่าคันในที่นี้ท่านหมายถึงอวิชาและตัวรู้ที่เราตั้งใจรู้ถึงจขณะนี้เขาเรียกว่าพุทธภาวะเกิดแล้วเจ็ดขณะคือรู้หยุ ด, ร, ยดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนแล้วเอาตัวรู้เป็นหลักพูดโอยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพูดถอยไม่ได้แปลว่านั่งหลับตา แต่พุโทโธแปลว่าผู้รู้เวาสวดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเรารู้ตัวเราตื่นตัวและล้วก็ทําด้วยความเบิกบานไม่ได้ทำด้วยความเกิดเคร่งเครงเครียดหดงูง่วงเงาเศร้าซึมอันนั้นไม่ถูกพุโทโธพุโทโธต้องรู้ตัวตื่นตัวและเบิกบานใจถ้าไม่รู้ตัวนั่งหลับนั่งซึมนั่งง่วงนั่งเหงาเขาเรียกว่ามาเรียกว่าพุโทโธเรียกว่าโมหะ เพราะฉะนั้นเองด้วยหลักการอันนี้นมาก็ได้รับฟังอธิบายมาอย่างนั้นอามาก็เออลองพิสูจน์ดูเริ่มพิสูจน์ดยเริ่มสร้างจังหวะเริ่มเดินจงกรมเดินจงกรมก็ไม่ได้ว่าซ้ายเนาะขวาเนอไม่ได้ว่าซ้ายพูดขวาโทไ ม, ม่ได้ว่าซ้ายย่างขวา่าย่างไม่ได้บริกรรมอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆว่ายกว่าย่างว่าก้าวให้รู้ตัวอันนี้ก็มาในการเราก็ไม่ได้บริกรรมว่า1นึสา เพียงแต่ว่าเวลายกให้รู้เวลาหยุดให้รู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้นี่มันสั่งสมทีละหยดทีละหยดทีละหยดเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าทีละเม็ดทีละเม็ดมันก็รวมมาเป็นฝนเป็นน้ําเป็นแอ่งเป็นอ่างเป็นแม่น้ําได้ตัวรู้ที่เราสะสมทีละขณะทีละขณะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นก็กลายเป็นตัวมหารู้เขาเรียกมหาสติขึ้นมาได้จากสติธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมหาสติได้มหาแปลว่ามันเยอะ อันนั้นสติธรรมดาเขาเรียกว่าสติสัญชาตญาณสัตว์ทุกคนตัวตนเกิดมาต้องมีสติรักษาตัวตั้งแต่เล็กจนโตโดยว่าสติสัญชาตญาณแม้แต่หมูหมากาไก่มันก็มีรู้จักเลี้ยงลูกรู้จักอาหารกินรู้จักพักผ่อนรู้จักเสพกามรู้จักหนีภัยอันนั้นเขาเรียกเป็นสติแบบสัญชาตญาณโดยทุกสัตว์ทุกตัวตน เกิดเกินมาตั้งแต่เกิดสติแบบนั้นแต่ว่าสติอันนั้นมันสามารถที่จะรักษาดูแลร่างกายเท่านั้นแต่ในเมื่อร่างกายของเรามีความโ ก, กรธเกลียดเครียดขุนความโลกความโกรธความหลงสติตัวนั้นมันช่วยไม่ได้เพราะมันไปดูแลเฉพาะแต่ส่วนที่เป็นไปในรูปเท่านั้นดังนั้นเองเราก็จะต้องเอาตัวสติโดยสัญชาติานมาฝึกฝนมาฟอกฝ น, มา ฝ, กฝนมาฝึกหัดให้มันมีตัวรู้เนี่ยให้มากขึ้น ถ้าตัวรู้เพียงนิดเดียวอย่างสุบูเรานั่งเวลาเราไม่สบายก้นของเราก็เปลี่ยนปับ๊บมันก็สบายแต่ว่ามันเป็นไปโดยสัญชตาตญาณมันไม่ได้ไปเป็นตัวปัญญาญาณเราไม่ได้รู้เราเปลี่ยนด้วยความไม่รู้เพียงแต่รู้ว่าความหนักมันหายไปความบอมันเกิดขึ้นเราต้องการความสบายแค่นั้นเวลานั่งไปนานปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังเรารู้สึกไม่สบายเก็พลิกไปเลยอย่างนี้เขาเรียกบำบัดทุกขเวทนาด้วยการใช้สติ ธรรมชาติสติสัญชาติยานเราได้ชั้นเดียวคือได้หายจากความไม่สบายแต่ว่าเราไม่ได้ความรู้แต่ถ้าเรามาฝึกสติแล้วเราจะรู้ว่าความไม่สบายหายไปได้อย่างไรความสบายมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเรานั่งสมาธินานๆเราเข้าภวังเข้าจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะไม่รับรู้ต่อเวทนาเหล่านี้ร่างกายของเราก็จะถูกบีบอัดถูกบังคับถูกทุกข์ทรมานร่างกายแล้วก็เสียทรงเสียศูนย์ ในที่สุดเวลาเราอายุมากขึ้นมาปั๊บเราก็จะมีโรคภยยัยไข้เจ็บเยอะแยะเพราะว่าเราไปกดปดกัน้นจนกระทั่งว่ากฎของอนิจจังทุกขังนัตตาในร่างกายมาทํางานตลอดเวลาเลือดมันต้องหมุนตลอดเวลาลมต้องเคลื่อนตลอดเวลาเมื่อเลือดเมื่อลมมันหมุนมันเคลื่อนมันเปลี่ยนมันไหลตลอดเวลาแล้วเราไปสะกดไปบีบไปบังคับให้มันหนักอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าไป บล็อกหรือไปกัน้นการทํางานของกฎอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราได้มาก็ ค, ความรู้สึกไม่สบายความเจ็บป่วยความอึดอัดความหนักความหนว่วงท่วงทับในร่างกายความง่ว ง, งเหงาเฮานอนเกิดขึ้นไม่เชื่อท่านลองพิสูจน์ดูก็ได้นั่งไปสักพักหนึ่งเราก็จะผงกสะบงกงึกนึกอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีใครที่จะนิง่งนั่งนิ่งได้นานตามที่มาสังเกตอันนี้เรียกว่าเราทรมานตัวเองแล้วก็โมหะเกิดขึ้นตลอดในช่วงที่เราขาดสติ ในช่วงที่เราหนักแล้วนั่งและวขาดสติเรานั่งกรรมฐานนั่งภาวนาไปแล้วโมหะเกิดขึ้นแล้วจะได้ไประโยชน์อะไรโมหะคือความง่วงงาห่อนอนความสลืมสลือความไม่มีสติสมามัญเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดปัญญาไม่ได้สอนให้เกิดโมหะแต่เราไปทําตรงกันข้ามกว่าท่าน เราไปสร้างความสงบ้วยเข้าใจผิดคิดว่าความสงบนี่จะเป็นตะบะธรรมให้เกิดสั่งสมมาเยอะๆทำให้เกิดยานให้เกิดปัญญารู้นั้นรู้นี้เข้าชานชั้นนั้นชั้นนี้ได้อันนี้เป็นความคิดของเราเข้าใจตลอดแล้วเราก็สืบทอดกันมาอยู่อย่างนี้แต่เราก็ยังมีความทุกข์ยังมีทิฏฐิมานะมีความลังเลสงสัยมีความไม่พอใจในเมื่อมีใครมาทาอะไรกระทบกระแทกเรา แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างเข้าใจแล้วนี่จิตใจของเราก็จะรู้เตือนเบื่อบานตลอดเวล า, าใครจะมาว่ามาดา่ามากระทบกระแทกเราก็เฉยได้ปล่อยวางได้สบายใจได้อันนั้นเรียกว่าเราเข้าใจใช้ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่นั้นเรายิ่งภาวนาไปเราได้ความสงบเป็นผลเพียงเล็กน้อยแต่เราได้โมหะมากมายมันก็ไม่คุ้มกันนะเหมือนเราไปค้าได้กำไรเพียงเล็กน้อยแต่ขาดทุนมาก เราก็ไม่ล่ำรวยสักทีหนึ่งไม่ล่ำรวยความสุขเราก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ดีเราก็ยังมีปัญหาเรื่องอารมณ์ความคิดกิจใจอยู่ดีดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายลองฝึกทําดูนะเอาละต่อไปนี้ลองทําดูนะถึงทําจริงนะไม่มีเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะเอาตั้งกายตรงนั่งให้สบายนะคนไหนนั่งทับตัวเองมันหนั ก, ม, นนกมันหน่วงมันถูกมันทับก็นั่งให้สบายยืดตัวให้ตรงหายใจให้ลึกลึกอา่า ไม่ต้องไปหลับตาก็ได้เอา้าลองลองดูลองลืมตากรรมฐ า, านสักชั่วโมงหนึ่งคงไม่เป็นไรนะบางทีบุญเกิดอาจจะได้เข้าใจธรรมะได้ง่ายๆเอาความกันนะ เ, เข้าไม่ได้นะ ต two, two ั uh, ock, ้งม like ือท uh, so ั้งสองทั้งสองข้างพิกมือขวาตะแคงขึ้นมือขวาขึ้นข้างลำตัวมือขวามาหน้าท้องตั้งมือซ้ายขึ้นเข่าซ้ายยกมือซ้ายขึ้นข้างลำตัวมือซ้ายมาประกบมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกเอามือขวาขึ้นข้างลำตัว วางมือขวาลงพ่วมลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้า อ, อกมือซ้ายออกข้างลำตัวตั้งลงพ่วงลงจำได้ไหมจำมาได้อีกข้างหนึง่งนับดูนะหนึ่ง6 7สเจด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่จำได้หรือยังเอาทําพร้อมกันหนึ่งสองสาสิบสี่ครั้งเนี่ยเรานับหยุดหรือนับเคลื่อนเพราะบอกแล้วว่าการเคลื่อนแต่ครั้งมีแค่สองคือหยุดกับเคลื่อนที่สิบสเนี่ยเป็นหยุดหรือเป็นเคลื่อนสังเกตไหม ยังไม่ได้สังเกตเนี่ยสิบสีเนี่ยมันหยุดหรือมันเคลื่อนฮะหยุดมีกี่ครั้งหยุดอะ่ะหยุดกี่ครั้งไหนเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> ครั้งแล้วเคลื่อนอะ่ะเจ็ดครั้งอะ่ะแน่ใจนะอ้าวเรานับพร้อมกันเลยอันนี้หยุดไหมหยุดหนึ่งสองเคลื่อนไหมสองสามหยุดไหมหยุดสี่เคลื่อนไหมห้าหยุดไหม หยุดนะหเคลื่อน7หยุด8เคลื่อน9ก้าแยุดเกาคลื่อน1ิหยุด1ิเดคลื่อนสิบหยุด1ิเคลื่อน14สหยุด15้าเคลื่อน16หยุด17เ็คลื่อน18หยุด19 เคลื่อนยี่สหุด่เคลื่อน22สิบสหยุดี่ามเคลื่อนย4ิหยุดเคลื่อน26สิบหุดยีเคลื่อน28หยุดมันไม่ใช่14นั่นมันกลายเป็นยีนั่นในเมื่อหยุดมัน7เคลื่อนมันก็ต้องเมื่อหยุดมันสีเคลื่อนมันก็ต้อง14บีด้วยเป็น28นะเพราะนั้นการหยุดการเคลื่อนมีตั้ง28 แต่เวลาเราหายใจเข้าออกนี่เรามีการหยุดการเคลื่อนกี่ครั้งเราทุกคนเราหายใ จ, ใจเข้าเรื่องกรรมฐานไม่ใช่เรื่องทําเล่นๆหรือทําแบบยังไงก็ได้ต้องละเอียดถี่ถ้ถวนการที่เราทําแล้วไม่ได้ผลเพราะเราทํำยังไงก็ได้มันก็เหมือนเราไปทํางานทําให้ถูกหลักถูกเกณฑ์มันก็ได้ทําแต่มันทําไม่ได้ผลมันได้ทําแต่ผลมันไม่ได้เอาอีกทีอ่ลองเอาย่งไง หายใจเข้าออกเนี่ยมีการอยู่กันเพื่อกี่ครั้งหนึ่งสองสามีอยู่สองตังเข้าต่อออกเท่านั้นแต่ในการหายใจเข้าเนี่ยนับเป็นเวลาได้ไหมว่ามันใช้กี่เวลากี่วินาทีเข้ากี่วิออกกี่วิเข้ากี่วินาทีออกกี่วินาทีเคยนับไหมไม่เคยเอางี้ระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยอันไหนยาวอันไหนสั้นก็กันหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาว ไหนใครเข้าสั้นหรือไหนใคออกสั้นเข้าสั้นออกออกยาวไหนใครว่าเข้าสั้นออกยาวยกมือขึ้นโอมีอ้าวอารมไหนใครว่าเข้ายาวออกสั้นยกมือขึ้นอารมไหนใครว่าเท่ากันยกมือขึ้นอารมใครยังไม่ได้ยกมือต้องยกมือขึ้นอ๋อไม่ยกดูกเดียวนะ เข้าก็ไม่ยกออกก็ไม่ยกสั้นก็ไม่ยกยาวก็ไม่ยกบเรียกว่าไม่ไปเข้าใจเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาทุกคนคืออยากจะทราบว่าเราไปหายใจกันได้ถูกไหมถ้าเราหายใจถูกเราจะรู้ว่าเราหายใจสั้นกี่วินาทีหายใจออกกี่วินาทีหายใจสั้นยาวหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวเราต้องรู้ให้ละเอียดกันนั้นนะถ้าจะหายใจไปวันๆโดยที่ไม่รู้รายละอียมันหายใจไปตลอดชีวิตเราก็ไม่ได้เกิดปัญญา เพไม่เห็นรายละเอียดเาเอาไหมหายใจเข้าพ้องกันหนึ่งสองสั้นแน่ใจเรื่องว่าหายใจเข้ากับออกยาวเนี่ยเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่เท่ากันหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกเป็นไงยาวถ้าสั้นสั้นกี่วินาทีสามวินาทีถ้าออกแล้วออกกี่วินาทีห้าวินาทีรวมเลอเข้ากับออกรวมเลอเป็นแปดใช่ไหม ใครเข้าออกแล้วรวมเป็นแปกยกมือขึ้นหนึ่งสองสามโอ้ไม่ถึงสิบคนนะเอาฮะแล้วแต่อารมณ์โอ้อารมณ์มันแปลกดนขนาดนั้นเเหรอ <laughs> เอาให้หาตัวมาตรฐานสักตัวหนึ่งเอาว่าหายใจเข้าหายใจออกมาตรฐานใกล้เคียงกันโดยเฉลีย่ยให้เหมือนกันทุกคนเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยเข้าคนจะยาวหรือสั้น บางคนได้เข้าสามบอก4เป็นเจ็ดใช่ไหมอ้าถ้าตามคนนั้นมีไหมหายใจธรรมชาตินะั้นไม่ใช่หายดึ้เกินไปนะหายใจอย่างนี้มันจเอาวกี่ทีก็ได้กี่วิก็ได้แต่หให้หายใจธรรมชาติเข้าออกธรมธรมดาธรรมดานี่เอาใหม่หายใจเข้าออธรรมดาอย่าอย่าดึงเป็นพิเศษตามปกติเนี่ยตา ม, มที่เราหายใจธรมธรมดาธรรมดานี่ไม่ต้องตั้งใจว่ายาวหรือสั้นไม่ต้องให้มันดึ้เอ า, าธรรมดาที่เราหายใจใ ห, หนูได้เท่าไหร่ เข้าสองออกสองเอนั่นเห็นไหมเมื่อกี้เราหนูตอบว่าเข้ากับยาวเนี่ยมันเท่ากันหรือมันยาวกว่ากันสั้นกว่ากันเอาสั้นแต่ทำไมเมื่อกี้เข้าสองออกสองแหละมันเท่ากันนะเราทาไมอ่าเข้ายาวนะเข้าสั้นออกยาวของหลงพ่อเท่าสองแล้วเข้าสองออกสามปกตินะ แต่ถ้าจะให้มันผิดปกติก็ได้เข้าห้าออกสิบก็ได้เข้าสิบออกห้าก็ได้แต่นั่นผิดปกติให้มันปกตินี่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยเนี่ยเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่สามสี่เ้าสามออกสี 4, ่ยเป็นเจ็ดแนะ่อ่าเป็นเจ็ดนั่นหมายความว่าให้เรารู้ใครรู้มันเอาปกติเข้าใคข้ามันแต่ของธรรมาเนี่ยเข้าเข้าสองออกสามเป็นห้าเอามาก็เลยว่าสิบสองห้าหกสิบ ในหนึ่งนาทีจะมาหายใจได้สิบสองครั้งอ่าในหนึ่งนาทีนะอันนี้เราก็จะนําไลยถ้าหนึ่งชั่วโมงเปนเท่าไหร่เจ็ดอยี่สิบถ้าสองชั่วโมงไปเราก็บวกขึ้นไปเลยนั้นเราต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราหายใจกี่ครั้งชั่วโมงเราหายใจกี่ครั้งถ้าเราไม่รู้ขนาดนั้นเราก็หายใจทิ้งเข้าออกเฉยๆแล้วเราจะไม่ได้ปัญญาปัญญาหมายถึงว่ารู้ในรายละเอียดว่าร่างกายเราหายใจอย่างไรข้าวกายวันหนึ่งกี่ครั้งมันหลับรวมมันลืมขึ้นเนี่ย เห็นไม่ชัดไหมเหลวซ้ายใหญ่ขววันได้กี่ครั้งเห็นชัดไหมเราลุกนั่งย่างเดินวันได้กี่ครั้งเห็นชัดเราจะต้องสืบรายละเอียเรื่อ ง, งนี้ลงไปมากขึ้นเรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะที่พิสูจได้ไม่ใช่สติ ญ, ญา ค, คิดเอางอเอาไม่ใช่คําสอนของครูเจ้าทุกอย่างต้องชัดเกณฑ์ต้องชัดเกนจนไม่ใช่เอาไปใชานาทิเวลาเราสวดในสัมปชัญญะสูตรใช่ไหม a ั t i o n t o w า k s h a miti pa cha na ti พิสูจเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดิ น, ดนอยู่เนี่ยในในเยบทสให้รู้ชัดชัดว่าเราเดินอย่างไรนิสิโนวานิสิโนมาฮีติปัจจันาติเมื่อนั่งก็ให้รู้ชัดชัดว่าเรานั่งอยู่จริงๆไม่ใช่นั่งคิดนั่งฝันนั่งเพื่อนนั่งลอยติโตวาติโตมาีติป ah ัจจันาติเมื่อยืนก็ให้รู้ชัดชัดว่ายืนเขาบอกประชันาติ t. ให้รู้ชัดแต่เวลาในรู้ในเรื่องในบทที่อะไทั้งหมด ให้รู้พร้อมทบหมดเลยนะนั่นใช้คว่าอธิกันเตปฏิกันเตสั่งวิชาน้าการเรียบร้อยเมื่อเอินไปมีความรู้สึกดูพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าและมีความรู้สึกดูพร้อมในการถอยกลับมาข้างหลังก็คือเดินโยงรลงใช่ไหมทีนี้ไม่ชี้ท่านใดน้องเคยเดินโวงาวิธีข้างหน้าเะเดินโยงรวมไหมเคยเดินใช่ไหมเดินให้หลวงพ่อบางทีที่ว่าเดินยังไงหนวงพ่อจเรนรู้ว่าเดินถูกหรือเดินผิด อาตอนนี้เลยพสูนหน่อยเดินให้ดูหน่อยเด็กจะรู้ว่าเดินถูกเดินผิดใครบ้างที่เคยเดินยกงยกมือขึ้นอ่ามไม่ชี้เดินให้ดูหน่อยเออเดินยังไงอ่าเห็นไหมเด้ตัวอย่อาเดเอาเดินไปเห็นหนั่งเราลุกไม่ได้เพราะว่าเราไม่สิ้ะเห็นไหมเออนั่งเราปวดนั่งเราต้องนิให้มันสบายนั่งให้สบายเออนไหมนั่งเราลุกไมไวอ่เห็น นั่งรถเด็กกินอนะ่ะเพราะว่าเราไปทับเส้นทับเ็ทับเลือทับลงไว้แล้วมันก็ไม่สบายใช่ไหมอ่าก็ อ, อาศัยลาบมาันไเออเนี่ยเราไปบล็อกกดอันนี้จังไว้ในชีนั้นเออนี่เอาเดินไดเอาลองเดินดูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างกรรมฐานแบบหลงพ่อพาทำให้สบายนะนั่งก็สบายดีก็สบายอ้าวเดินให้ดูอย่าไปล้มนะเดินดีๆีอ่าทั้งขาเอาเดินก็ท้างน้า ไปไหมเอาลนะใหน่าถอยกบมาข้างหลังอันนี้ไม่ได้ถอยนี่เอาเดินหน้าเหมือนเดิมนี่เดินไปข้างหน้าก็จะเดินไปข้างหน้าอันนี้ไม่ได้ถอยถ้าใช้เอาพี่กันเตอเปิดตีกันเตสัมปชาญ้ากาลีมาทีให้มีความรู้สึกตัวควบคอมในการก้าวไปข้างหน้าและปปิตกันเตถอยออกมาข้างหลังถ้ามีทีทำงั้นก็ก้าวข้างหน้าเหมือนเดิ ม, มเลย ไม่ใช่ตามข้างหลังแล้วเออแน่ใจไม่ดูอ่ะแอ้วหลวพ่อจะเดินได้ดูถอยกลับไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังยังยังไงมาดูอันเดียวนะมีสติกำหนดความรู้สึก้องในการเดินไปข้างหน้าเดินอย่างนี้เดินไปข้างหน้าสายตามองกลายทางจงกลมอย่ามองใกล้เกินไปอย่ามองใกล้เกินไปเดินเหมือนเกิเดินหาของอย่นานันไม่จะปวดหลังปวดไหลใช่ไหม แล้วก็ดูวพาพอไปถึงที่เรียกว่าอภิจันเตพอปฏิกันเตกระถอยกลับไปข้างหลังนี้ถอยกลับมาเรียกว่าปฏิกันเตเพราะนั้นสรุปแล้วเราเดินจะโกันเองเอออันนี้แหละถอยกลับมาข้างหลังเจก้าถอยไปข้างหเดินไปข้างหนา7จก้าอาพิถ้าสมมุติไปอย่างนี้มันก็อภิจันเตเหมือนเดิมสิพราะมไปข้างหน้าเหมือนเดิมใช่เอออันนี้ก็ไปข้างหน้าเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้าข่อยกับข้างหลังความรู้สึกต่างกันไหมต่างเดินไปข้างหน้าขอยกับข้าหลังเนี่ยความรู้สึกตัวไหนดีกว่ากันงหลังกลัวมข้งหลังกลัวล้มแสดงว่ากลัวล้มมันเดินไม่ล้มแสดงมีสติดีมากใช่ไหมถ้าสติไมดีมันจะล้มใช่ไหมนั่นแสดงว่าถอยกับข้างหลังได้สติมากกว่าเดินปข้างหน้านี่คือวิธีการที่ถูกต้องเพราะอางนั้นมันก็ทำผิดบาลีดิบาลีก็ไปอย่างนี้เดินก็ข้างหน้าก็เดินปข้างหน้าอย่างี้แล้วพอถ่อยกับข้าหลัง มันไม่ได้เขาไว้นะอันนี้พิสูจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทราบว่าท่านทั้งหลายที่ทํามาตลอดเนี่ยเราไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์ผิด น, นะแต่ว่าเราอาจจะทําไม่ถูกตรงที่ว่าครบาอาจารย์ท่านใช้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบเพเป็นอุปกรณ์ที่เฉยไม่ใช่ว่าเคลื่อนไหวดีกว่านั่งสัก ง, งันไม่ใช่แต่ทั้งหมดนั้นเป็นอุปกรณ์การเคลื่อนไหวนี่เป็นอุปกรณ์เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติสัพพัญญาป ร, ริงทํายังไงก็ได้จะ เรืมือไปปิดไปอย่างนี้ถ้าเรามีสติในการปิดในการเปิด น, นี่ก็เป็นเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหยิบอันนี้อย่างมีสติให้รู้สึกตัวแล้วการหยิบอันนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วแต่เราเคยตั้งใจที่จะหยิบจะวางอย่างนี้สักครั้งไหมเนีเพราะฉะนั้นการฝึกให้สบายนั่งจนกระทั่งว่ามันไม่สบายที่ไปถูกแล้วนะเพราะอะไรทําให้ไม่สลายก็มาหานก็สบายแล้วเปิดปานะเอาละทีนี้ต่อไป ทุกคนยืนขึ้นอ่าม่กี่เรานั่งทุกคนยืนขึ้นในเลี้ยบวดปฏิบัติท่านใช้ทั้งสี่นะยืนเดินนั่งนอนถ้านั่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกแล้วก็อะไรน่างกายของเราก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อนั่งอย่างเดียวให้ใช้ให้ครบยืนเดี๋ยวจะพานอนเลยให้กลับไปนอนที่บ้านดีกว่านะนอนที่นี่ก็ไม่พอนอนน่ยอ่อาลองทําเป็นแบดูลึงซองสร้างนะที่เราเราทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเดียว่าเราไม่เคยทาด้วยตัวเอง พอครูาอาจารย์พาทำก็ทําได้แต่พอไม่พาทำทำไม่เป็นเลยนี่เราเรียกว่าเรายังไม่มีที่ตึ้นของตัวเองเราจะให้ทุกกรรมฐานของพระเจ้าต้องทำแล้วเป็นอัตฉริยตโนทโถเราต้องตึ้นตัวเราเองอย่าไปให้ ว, ว่าอาจารย์มาเที่ยวห่องสอนอยู่ตลอดวั น, วนมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่กับท่านตลอดเวลาใช่ไหมเราต้องกลับบ้านถ้าเรากลับบ้านเวลาท่านไม่ไปตามไปสอนเราก็อยู่อย่านี่มันก็ไม่พอใช้ใช่ไหมท่านก็ไม่มีเวลามาให้เรา อ่ะทนี้องดูการนั่งบ้างนั่งยังไงก้าวเท้าขวาไป็นึกยกลำตัวมาข้างหน้าย้อนขาซ้ายลงเข่าย้อนเข่าขวาลงนั่งแค่ครึ่งลาตัวก่อนอย่านั่งหมดนั่งแค่นี้เรายกมือเอาขึ้ใหญ่นั่งครึ่งเดียวพออย่านั่งหมดนั่งครึ่งเดียวเอานั่งเข่าเอาพิกมือขึ้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก1จ1ดแปด้แบบาเ อ, อานะ็านะใเอาไปทำให้จำนะวิธีการของวิทยาศาสตอกบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเย็นให้สัมผัส บอกให้ร er uh ู ka, helpful, ้ทําให้ด so ูอยู่เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสแล้วเราก็จะขจัดโรคปวดหลงได้อย่างสบายๆไม่ยากนะแต่ว่าจะทำไงให้ทําต่อเนื่องอันนี้ปัญหามันมันไม่ต่อเนื่องถ้าสมมุติว่าอ่านั่งลงนั่งลงสบายใจไหมนี่ท่านบอกว่าให้ปฏิบัติในอี้บท4เราได้อีบท2ก็คือเดินกับนั่งยืนกับนอนเวลานอนไม่ได้ทำนอนก็หลับเลย เวลาเราปฏิบัตินี้นอนทับก็ได้แต่ไม่ต้องหลับตาเลื่มาเนเหนื่อยรู้สึกนั่งแล้วมันเด็ดกินขาชาตามขาตามแขนแล้วก็เหยียบขาทาขําก็ได้เหยียบทำคือทําได้ทุกอีรยาบทที่เอามาไปปฏิบัตในที่การปฏิทินที่มันสบายคือจะยืนจะเดินจะนั่งจะเหยียบขาจะกู้เข่าพัฒมาตพักเทียบทันเขานั่งพับส้นได้หมดนั่งตุ้งยี่มันไม่ทําให้เราไม่ทรมานร่างกาย การที่เรากรมาถานไปแล้วปฏิบัติกรรังที่ทําให้ร่างกายไม่สบายถือว่าเป็นการเดี๋ยวยนั่นเองทำวินัยใดที่เป็นไปเพื่อเดี๋ยนวนั่นเองและเดี๋ยวนั่นผู้อื่นทำวินัยนั้นไม่ใช่ทำวินัยของเราแต่อาภรณ์ท่านตรัสเอาไว้เรานั่งกรรมฐานาจนหานหงิกขามอเด็ดขาดกิจแข็งยิงขายถือว่าเดียดวยตัวเองไหมเดเียนตัวเองเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมรูปเขาทําหน้าที่ของเขาก็ต้องเป็นไปตามกฎของนิจารุขังนัาตา่ต่าง แต่เราจะต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยการบำบัดนะฮะแต่ว่ารวกเขาไม่รู้เรื่องแต่ด้วยความอยากของเราไปบังคับให้เขาต้องนั่งนานๆไปบังคับให้เขาเดินงานๆก็แข็ขาจังหมดอย่างเงี้ยแสดงเป็นความอยากใช่ไหมความอยากทําให้ร่างกายเราไม่สบายใช่ไหมเออต้องพิจารณาให้ละเอียดนะเพราะนี่กรรมหานจะทําไปยังไงก็ได้ให้ใจสงบไม่ใช่ทํายังไงก็ให้กายสบายให้ใจสงบถ้ากายไม่สบายใจไม่สงบ กรรมฐานนั้นก็ยังไม่ถูกทางนะทำไงก็ได้กายสบายใจสงบดีกว่ารีกว่าเป็นทําให้กรรมฐานที่ยั่งยืนทําได้ทั้งวันไหมทําแล้วกายสบายใจสงบได้ทั้งวันไหมได้ตลอดเวลาไหมได้ทําแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สงบทําได้นานไหมไม่นานเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เบื่อเดนั้นจำเอาไว้เลยกรรมฐานที่ถูกต้องต้องทําให้กายสบายใจสงบถ้ากรรมฐานใดก็ตามทํากายไม่สบายใจไม่สงบกรรมฐานนั้น ก็ไม่ใช่คำถามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนท่านตรัสเอาว้ว่าทำและวินัยใดที่เป็นเพื่อเดียรเป็นต น, น, น, น, นเองและผู้อื่นทำและวินัยนั้นไม่ใช่คำวินัยของเราจะขาพท้อทตรัดเอาไว้ดังนั้นเราทําได้ตลรดเวลาและยั่งยืนด้วยนะดังนั้นทุกคนจำได้ไหมเขา อ, อิสรภาพได้ไหมอาเทียมตัวหลายรอบแล้วน่นนาจะจำได้แล้วนะอาเทียมตัวหนึ่งสอง สา5สี่ห้าห ก, แบบก็ดปเก้าไปไม่ถูกแล้วพ็ใหญ่เไปไม่ถูกเลยอันนั้จะเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยการทำเนี่ยมันไม่ยากแต่ทำใจยากก็คือเอทไมฉันเคยทำแบบนั้นมาทำแบบนี้ไม่ได้มันก็จะไม่เอาล่ะแต่ว่าเราจะต้อง รถมานะทิฏฐิลงให้ได้เมื่อนั้นก็ประฐานเข้าไม่ได้คนขามานาทิฏฐิของเราอยู่เนี่ยอะไรที่เราทํามาก่อนบอเนี่ยก็มีอะไรมาใหม่ๆก็ศึกษามันเมื่อก่อนเราไถ่ไรไถนาได้วัวได้ควายได้เกวียนใช่ไหมล่ะของได้เกวียนแต่เดี๋ยวนี้เอาเอาวัวคายมาไถนาเหมือนเดิมไหมเอารถเอาเกวียนมาใช้เหมือนเดิมไหมเราก็ยังรู้จักเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ยังเปลี่ยนมาเป็นรถเวลาเกี่ยวข้าวไม่ได้มาเกี่ยวมันเที่ยวเหมือนเดิมเราใช้รถหูเอาใช้ ลถตาดเอาเราไม่ยังเปลี่ยนได้แล้วกรรมฐานเราทําร้อยวันพันปีทำไมไม่เปลี่ยนใช่างมบอกไม่ใช่เป็นกรรมฐานของครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ท่านก็ให้เราได้ทํำยังไงก็ได้ให้เรากดทุกข์ให้เราลดละกีเดียได้ก็เป็นใช้ได้ไม่จำเป็นต้องทําตามท่านทั้งหมดเพราะท่านกับเราไม่เหมือนกันใช่ไหมอดีตมาไม่เหมือนกันสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เท่ากันแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันทําไงก็ได้ให้เกิน ปัญญาสามารถลดละความโลภความโกรธความหลงได้นั่นเป็นเป้าหมายจะทําเหมือนไหมเหมือนท่านไหมสาคัญเรายินดีรู้นะทรับสมัยของพระพุทธเจ้าสองพันกว่าปีเนี่ยท่านทำยังไงล้วไม่เห็นอะไรใช่ไหมแต่เราพิ้วไหวน้อยอย่างนี้เป็นแบกแขนมาแต่ว่าเป้าหมายท่านบอกว่าทำยังไงก็ได้ขอให้โลภโกรธหลงมันลดลงขอให้ร่างกายสบายจิตใจสงบเป็นใช่กันเป้าหมายมันอะแต่ร่างกายไม่สบายจิตใจก็ไม่สงบท่านบอกว่าทํานี้ขนาดไหนก็ยังไม่ถูกเพราะทําให้เด็กๆตัวเอง นี่คือหลักของมานจำได้นะนี้การเดินก็เหมือนกันการเดินนั้นเราจำเป็นจะต้องให้เดินตามปกติอามาสมัยที่ปฏิบัติกับพระพุทธในสมัยอามาก็เดินแบบอะไรอ่ะแบบน้อยใช่ไหมเราเดิน6จังหวะยืนอยืนยยกน้อย ยาเคื่องแขนหดโยอยาเหียดแขนเหียดทำอย่างนี้ทุบบอลตากเลงหมดเลยนะเอาไปอระมานี้เลงทั้งตัวเลยเอาไปเอามาทาไปไม่ไ้ลเอาไปนั่งเดี๋ยววันทุกร์กนมาทำใหม่นั่งก็ต้องนั่งอสศนาเดียวนะ หัวทับขาซ้ายมือหัวทับมือซ้ายตัางตัวลงดำลงเสียบมันกระโดดลงให้ใจเข้าออกเป็นสุดตายตัวเลยผินเพีย้ยนอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าปิด๊งกบ า, า, ายนะไอ้เราก็ทําค่ลดแค่ตายมันก็ไม่ไปไหนเพราะกรรมาฐานดีเกินไปนนแต่ร่างกายเรามันอ่อนแออีซีของเราเป็นอ่อนแอปัญญาของเรามันอ่อนแอเราก็ต้องจำเป็นต้องกลับกรรมาฐานให้เหมาะกับอีซีของเราอน า, รรนาคาเศรษฐีกรรมาฐานเป็นยอดกรรมาฐานเป็นมงกุฎของกรรมาฐานแต่ว่าเรื่องของเรามันไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหม ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เรามันเล่าแต่แค่3าเนี่ยนะใเรื่องน6บหกสิบ b อย่างเงี้ยมันเรียกว่ามาตรฐานมันสูงเกินไปแล้วก็ลดมาตรฐาน ม, มาเข้ากับร่างกายของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ า, า, ากรรมฐานพระเจ้าถ้าไม่ได้วางไ ว, ว้ใจตัวให้วางไว้เหมาะกับ EC ของคุณระกุรักคุณระทิดาและของเวเนยร์ศัตรูทั้งหลายเราก็ต้องมาปรับให้เหมาะสม EC ของเราเพราะฉะนั้นในวิธีการอันนี้ ม, นมานอาปรับตั้งแต่ปีพศ 2,530 ที่เข้าใจจนถึงปัจจุบนันนี้มาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแต่พบวิธีการของเดลพอสองปีสองพันสองร้จนถ้า ม, มาถึงปัจจุบนันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรเพราะทแล้วร่างกายส บ, บายจิตใจสงบได้ง่ายแล้วคนไหนมีศรัทธาเชื่อแล้วก็ทตามก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่มันยากที่จะทําตามเพราะเราทําตามคุยอ า, าจารย์มาจนติดแล้วใช่ไหมถ้าเปลี่ยนใจก็ถือว่าไม่เคารพท่านไม่กระตือรือร้น เอาเราคิดเอาเองทั้งนั้นท่านก็ไม่บอกเสียหน่อยนะถ้าแกไม่ทาตามจะได้ถือว่าแกกัจะอยู่นะท่านบอกไหมท่านก็ไม่บอกทํำไงก็ได้ให้พุงหมดพุ่งก็ไปใช้ได้แล้วใช่ไหมเราเออเราไปใช้ปัญญาหน่อยนะจะยืนทําก็ได้นั่งทําก็ได้เดินทําก็ได้แต่เวลาเดินอย่าไปทําเดี๋ยวก็จะหาบอกคอรนั่งทํายืนทําแล้วก็นอนทําเดินไม่ต้องทาเดินแค่ดูแต่าเท้าพออาใจว่าจะไหนใจว่ทั้งหมดตัวนี่แหละบางคนวะ เอใจไว้ที่มืออย่างเดียวได้ไหมลุงพอ่อมินก็เป็นเพ่งแต่มือสิใช่ไหมมันเพ่งดีมือเดี๋ยวก็จิตมันก็พือมันก็เป็นสมถะไปเลยตัวจิตของเราถ้ามันไปเกาะ อ, อยู่จุดใดจุดหนึ่งเป็นนั้นก็เรียกเป็นสมถะเราเรียกว่าทำํำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาลมแต่ที่ทําเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะทําทสมถะยัทงทำนิัสานาด้วยให้จิตมันรู้ตัวนพวกฟรองให้จิตมันรู้ทั้งเลยหมดตุดเท้ า, าแต่มือเนี่ยเป็นตัว หุดประกายไปให้ประกายรู้ให้มันรู้ทุวตัวแต่ถ้าเราไม่เคลือ่อนเนี่ยจิตของเรามันนิ่งจิตของเราไม่ตื่นมันก็จะทําให้เรามันเข้าไปสู่สมุบได้ไง่ายวิธีการนี้ไม่ต้องการความสงบแต่ต้องการความตื่นรู้และเบิก บ, บานแต่ถ้ามันสงบจิตไม่ตื่นรู้ไม่เบิกบานความสงบนั้นก็เป็นสมุบแบบพราหมแบบมีสีมันไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไปทํามาแล้วตามหลักฐานเนี่ยนะเป็นปฏิบัติกับใครนะอาร า, ร า, ราธา ร, ราบุตรุษกาฬาราบุใช่ไหม ถามจนกว่กาวกิสตสงบได้ถึงเป็นฌานสมาบัติเอกสมาบัติแปดท่านบอกเออที เ, อเวลาออกมาแล้วเวลาทํางานท่านเป็นอย่งจิตจิดอารมณ์จิตนั่งจิตนี่อยู่อันนี้แสดงไม่ใช่ทางท่านก็เลิก เ, เลิกมาทําตัวท่านเองว่าท่านมาบำเพ็ญด้วยตัวเองมาบำเพ็ญทุกขลักปียาทรมานร่างกายาก็นึกว่าไอ้กิเลสมันเกิดเนี่ยก็ร่างกายเป็นเหตุร่างกายมันกินมันถ่ายมันชอบมันอยากมันกำหนัดเนี่ยเป็นเหตุเพราะฉะนั้นงทรมานร่างกายให้มันเต็มที่เพื่อกิเลมันจะได้หมด แล้วท่านกล็ลงมือทำใช่ไหมก็กดละเอียดหมดไหมไม่หมดจงกระทั่งท่านภ า, ายของจนล้มสูซัดสูเซนโภไม่ใช่ทางแล้วอันนี้ก็เริ่มสุดเกินไปเราจะเห็นว่าไม่เที่ยงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่กดทองคลกคลมธรรมชาติถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดแล้วกดับในร่างกายของเรามีเกิดมีดับแต่ถ้าหากไฟดับเราแปลงใจใช่ไหมแต่ร่างกายของเราเกิดดับเนี่ยเราแปลงใจไหมไม่แปล การเกิดดับของจิตมีตลอดเวลาเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันไม่คิดเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันไม่รู้เดี๋ยมันไม่เกิดไม่ดับเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวมันไม่สงบมีอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นกฎของมันใี่การเกิดดับแต่เราส่วนใหญ่ไม่คุ้นกับการเกิดดับของจิตแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ปกติมันคิดปกติไปเราก็ตื่นตนหนกแต่ไม่ได้คิดถึงความจริงว่าความจริงแล้วใจของเราเกิดดับตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นการเกิดดับ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมาบำเพ็ญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นให้เหตุการ์เกิดดับของกายเสก่อนการเกิดเกิดดับของกายคือการหยุดเป็นการดับการเคลื่อนเป็นการเกิดหายใจเข้าเป็นการเกิดหายใจออกเป็นการดับเราจะสังเกตว่าอันไหนดับนั่นมันจะเบาอันไหนมันเกิดมันจะหนักใช่ไหมเรายกขึ้นอ่ะยกไม้เป็นไงหนักใช่ไหมเวลาวางไม้เป็นไงเบานะเพราะนั้นดับมันแปลว่านิพานนิพานแปลว่าโล่งกลมเบาสบาย ภาว ะ, ะ ay, ในที่โลกปลวกเบสบายในกินในใจของเราเนี่ยภาวะนี้พามันมีอยู่แล้วแต่เราจะทําำไงให้มันถาวรเท่านั้นเองเราโลกปลวกเบาสบายเดีวเดียวนาทีเสี้ยววินาทีหายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับไปหนักอีกพอหาเรื่องนั้นมาคิดหาเรื่องนี้มาติดหาเรื่องนี้มาต่อเดี๋ยวก็คิดต่อไปอีกนี่เรียกว่าเกิดแต่พอเรื่องนั้นดับลงเราก็ไม่รู้มันดับพอเรื่องนี้ดับไปอ่ะหาเรื่องใหม่มาคิดต่อมันมีเกิดแต่เราเวลาเรียว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้นอยู่ทุกเท่านั้นดับไป ไม่มีทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับใช่ไหมพุทธเจ้าท่านตรับได้หมดแต่เนื่องจากาเราทําอะไรพี่ไม่ไม่ไม่ไมพิจนารณาในจุดนี้การเกิดดับเป็นชีวิตจริงของเราไฟมันดับมันอิด ก, ก็เป็นความจริงใช่ไหมแต่ทําอะไรไม่อยอมรับความจริงเข้ามาเวลาไฟดับแล้วเราหูดอิดแลว้วของเรา อ, อ่านหนังสือไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกมันอิดเอามันดับก็ดีเราจะได้พักผ่อนเราจะได้นอนดับเวลานอนก็คืนก็เราก็ดับไฟใช่ไหมถ้ามันดับไฟบางคนนอนไม่ดับน่ะอ่า เห็นไหมไอ้พวกครั้งการดับมันก็เป็นการดีอ่ะทำให้เราได้พักผ่อนสายหูสายตานะดังนั้นย่อมทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐานคือการแสวงหาความสบายกายความสงบใจความสงบกายความสบายกายความสงบกิตความสบายกิตนั้นคือกรรมฐานแต่ทําไปแล้วมันไม่สบายกายไม่สบายกิตไม่สงบกายไม่สบายกิเนี่ยก็กรรมฐานนั้นก็ไม่ถูกต้องตามหลักของภูติจารย์เป็นหลักของที่ของธรรม ของาศาสนาอื่นไปนะที่เราทำตามที่อาราธารบุตรการอาบทสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาพิจารณาเองนี่มันไม่ใช่นี่ทาแล้วมันยังเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวไม่สงบแต่ถ้าหากว่าเป็นของจริงของแท้มันต้องสงบได้ตลอดเวลาทําไงความสงบต้องทําเองได้ไม่ใช่มันทีกีจะดับนะความสงบต้องทำแต่ก็ทําได้ไม่ยากด้วยทําได้ไม่ยากถ้าความสงบที่ถาวร น, นะความสงบที่มัน แท้จริงคือสงบจากกิเลสสงบจากความโลภสงบความโกรธสงบจากความหลงซึสงบจากความคิดรุงแต่งไม่ได้สงบแบบนั่งนิ่งๆบางทีสงบแบบนั่งนิ่งความคิดความโลภความโกรธมันปุ้งอยู่ข้างในเนี่ยหรือว่าไม่สงบคือสงบแต่ข้างนอกแต่ไม่สงบข้างในแต่วิธีกรรมฐานพูธิย่าตต้องสงบทั้งข้างนอกและข้างในด้วยกายก็สบายกายที่มันไม่สบายแสดงว่าไม่สงบเช่นนั่งไปแล้วปวดขาแสดงว่ากายไม่สงบใช่ไหม เพรากายไม่สงบไม่ได้ไรลูกยิ้มลูกโดนทำนู่นดี่อนนั้นมันหมายถึงอย่างนั้นนะแต่กายไม่สงบหายทุงกายมันหนักมันหน่วงมันท้วงมันทับมันปวดมันเมื่อยจะแยกอยู่แล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าสังขารเราไม่สงบร่างกายเราไม่สงบเมื่อร่างกายไม่สงบจิตใจจะปกติไหมไม่ปกติจิตใจก็ไม่สงบเหมือนกันเมื่อจิตใจไม่สงบแล้วมัจะเกิดปัญญาไหมเกิดสมาธิไหมไม่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นคาว่าสงบกายคือกายสบายคำว่าสงบใจคือใจสบายไม่ใช่ใจมันอยู่นิ่ง ใจมันต้องสบายตามธรรมชาติของมันเรียกว่าสงบคือสงบจากความคิดปรุงแตง่งสงบจากความโลภความอยากความโกรธความหลงความอะไรล่นการสงบจากการปรุงแต่งองคจิตเรียกว่าสงบสงบที่เป็นวิปัสสนาแต่สงบเป็นที่เป็นสมถะแบบพรามแบบฤๅษีฤิสกกุบแบบไม่รับรู้อะไรตามีก็ต้องปิดไม่เชื่อหูมีก็ต้องปิดเจะปิดหูแล้วก็มาบอกเขาว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบั้งแล้วก็นั่งสบายแล้วก็มาท่องกัน ต้พยายามที่จะปิดหูปิดตาปิดใจไม่ให้รับรู้อะไรอันนี้เป็นเป็นสุภาษิตของรัสเซียนะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งเฉยแต่ความจริงเปิดหูซ้ายขวาเปิดตาเสียบ้างเปิดใจสองข้างเปิดใจหนึ่งข้างแล้วก็นั่งรู้ตื่นเบิกบานน่าจดีกว่าใช่ไหมนั้นญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่มาพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกมาบอกให้เชื่อนะมาบอกให้พิสูจน์ ครูพุทธเจไม่ได้สอนให้เชื่อท่านบอกว่าหนึ่งสีที่ฉันตราบว่าจะดีขนาดไหนเป็นสภาวะตามขนาดไหนแต่ว่าต้องมีสารทิตโกทั้งพิสูจน์สองพิสูจน์แล้วต้องอาการดีโกก็คือให้พิสูจน์ได้ตลอดเวลาไม่มีบางครั้งทําได้บางครั้งทำไม่ได้ไม่ใช่ให้ทําได้ตลอดเวลาอาการิโก้เอหีบสิโกแล้วสามารถบอกให้คนอื่นท้าคนอื่นได้ด้วยว่ารับประกันว่าปฏิบัติแบบนี้ต้องอเป็นผิดอย่างนี้ปฏิบัตินี้ต้องสบายอย่างนี้ปฏิบัติแบบนี้ต้องเข้าถึงอย่างนี้ต้องรับประกันได้ ไม่ใช่ทําไปแล้วรับประกันไม่ได้ได้ผลจริงหรือเปล่าที่เรื่องไม่เีเอทีไปสิโัวโปันัยี่โกหมายความว่าปฏิบัติไปแล้วดูกายก็เห็นใจดูใจก็เห็นกายโอปนนสามารถน้อมกายไปสู่ใจได้สามารถใจไปสู่กายได้สามารถน้อมทำจากข้างนอกมาอยู่ข้างในได้สามารถน้อมจากข้างน้าข้างในไปสู่ทางข้างนอกได้แล้วโอปันนัยี่โกปฏจบัตางเวที่จะโปรวิโยหีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้ได้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ ผู้ทำเท่านั้นจะรู้ได้การเคลื่อนไหวในี้ทำเท่านั้นเพที่ทํานั้นจะรู้ว่าเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเลยจะเป็นมวลนึกมวลคิดอู้เป็นอย่างนูอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ใช่ปัจจิตางเวที่จะควบคอยู่ดนะท่านตรัสเอาไว้แล้วว่าสวะคาโตนะสิ่งที่เราตรัสไปแล้วเนี่ยถูกต้องหมดนะแต่ว่าคุณจะเข้าใจได้ถูกต้องคุณต้องหนึ่งต้องไปพิสูจน์สองพิสูจน์ได้ตลอดเวลาสามต้องสามารถประกันรับประกันผลท้าทายได้ด้วย4ต้องอน้ม ใจไปสู่ใจน้อมใจสู่ใจน้อมเอาใจเขามาใส่ใจเราได้น้อมผู้อื่นมาเหมือนใจมาเข้าใจเราโน้มใจเราไปเข้าใจผู้อื่นได้โอ้พระนริภูแล้วไปจะตังเรที่จะต้องทําด้วยตัวเองทําแทนก็ไม่ได้ต้องรู้เหมือนเราชิมเกลือเนี่ยเราก็สามารถรู้เกลือด้วยตัวเองไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาอธิบายไอ้เกลือมันเค็มอย่างน้อยไม่ต้องอธิบายเรารู้ชิมเกลือปั๊บนี่รู้เลยว่ารสเกลือต้องเป็นอย่างนี้ ชิมพริกปกั๊กรู้ว่ารสพิกเป็นอย่างนี้จะสรรหาคำอธิบายตั้งร้อยอย่างพันอย่างก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าเราไม่ชิมเองนี่เรียกว่าปัจจตังเมทิสปูอยูฮีนะอันนั้นยากง่ายทัางหลายกรรมฐานทําทำไม่ยากแต่ที่ยากก็เพราะว่าเรายังไม่ชัดเท่านั้นเองขอให้รู้ชัดๆวเวลาเลยสวยดตนเชา้าอะเกวรสะทุขคันทาาัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาจี ทำไงการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะนั้นปัญญาเยถาปัญญานี้แต่ว่าปรากฏชัดทําอะไรทําให้ชัดชัดพูดอะไรพูดให้ชัดชัดคิดอะไรก็ต้องคิดให้ชัดชัดเรียกว่าเกิดปัญญาทําอะไรก็ไม่ชัดพูดก็ไม่ชัดทําก็ไม่ชัดคิดก็ไม่ชัดปัญญาเกิดไม่ได้ปัญญาในพุทธศาสนาปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาแปลว่าปรากรดชัด แต่ปัญญาที่เป็นปัญญาสมมติปัญญาในการเรียนรู้ปัญญาในการศึกษาหรือว่าปัญญาโลกียเรียนรู้รอบเพื่อศาสตราจารย์ขนาดไหนเมื่อไหรยังกิญยาตายปุ๊บก็ตามันเดิมเรียนรู้จบมอ .5 ม .8 จบปัญญาเตยตัวเอกมันก็ยังทะเลาะบาแวงขัดแย้งหกเถียงทําลายล้างกันอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นปัญญาทางโลกโลกี ย, ยปัญญาเนี่ยจะเรียนไม่สูงขนาดไหนปัญญาทางโลกไปรู้กว้างรู้ลึกรู้รอบรู้ขอบรู้ทั่วรู้จริงรู้อะไรก็ว่ากันไปแต่ปัญญาใน โรคุตละท่านแบปราปวดชัดเท่านั้นทําอะไรทําให้มันชัดๆอย่าให้มันมั่วอ่าอย่าให้มันอ่าประเภทที่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรตรงนั้นไม่ใช่ก็งลงไปเจ้าเจาเจ้า อ, อย่างนี้นะนะดังนั้นเมื่อมาศึกษาในวิธีการเคลื่อนไหวามาถึงมั่นใจว่าทุกคนทําได้แต่ที่ทําไม่ได้เพราะว่าเรายังทิ้งของเก่าไม่ได้เหมือนเราจะอยู่น้ําชาถ้าในแก้วนี้มันยังเป็นกาแฟอยู่เนี่ยลดกาแฟกับน้ําชาออกมานี่นจะไปลดอะไร กาแฟก็ไม่ใช่น้ําชาก็ไม่ชื้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยดื่มน้ําชาเอากาแฟออกเสก่อนเราจะดื่มน้ำส้มเอากาแฟออกทิ้งเสก่อนแล้วก็ดื่มน้ำส้มเอาน้ําส้มคนน้ำกาแฟลงไปก็ไม่รู้รสเลยจริงๆเหมือนกันเราจะศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องวางเรื่องน้ำใ้ก่อนไม่ได้ทิศึกษาดูมันดีจริงไหมถ้าดีไม่จริงเราก็วางได้เอาของเดิมได้เออถ้ามันดีที่มาจจริงมันก็จะช่วยส่งเสริมกันอ่าเหมือนกับเราทานอาหารไม่ใช่อาหารชนิดเดียวใน ในาพาวของเราต้งหลายอย่างใช่ไหมเหมือนกันกรรมฐานก็เหมือนอาหารหจิตใจเราสามารถเข้ามาศึกษาได้หลายอย่างศึกษาพูดโพเราก็ต้องทําดูอานาปนาสติก็เราทำดูเคลื่อนไหวเราทาดูแต่ทําแล้วเนี่ยให้มันเอามาร่วมกันได้เอามาใช้ร่วมกันได้อย่าให้มันมาขัดมาแย้งกันทําขัดแยง้งแสดงว่าเราจะทำไม่ถูกเหมือนอาหารอาหารตั้งหลายอย่างก็สิบอย่าง ทานเข้าไปได้ในมื้อเดียวเนี่ยไม่ใช่อาหารทีใดอย่างทีอแล้วเข้าไปในท้องมันขัดแย้งกันมั้ยอาหารมันทะเลาะกันมั้มไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่ไหมเขาเรียกวอาหารบางทีอาหารในทาชนะของเราเก้าอย่างสิบอย่างทานเข้าไปเป็นอาหารหมดเลยวิธีการปฏิบัติหลายอย่างเราปฏิบัติได้ถ้ามันไม่ทะเลาะกันแสดงว่าเป็นวิธีการที่ถูกเราจบแล้วไม่ใช่ว่าอันนี้ดีกว่านั้นอันดีกว่าไม่ใช่มันดีทุกอย่างแแต่เราไปทํามันถูกอาหารเมื่อการจะหากว่าเราปรุมันถูกเรื่องแล้วเก้าอย่างสิบอย่างทานไปพร้อมพ้อมกันก็ไม่เกิดแสดง นะฮะงั้นแย่ยงทั้งหลายการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาในโชคดีแล้วเพราะว่าในคําสอนพรพุทธเจ้าสอนให้เกิดปัญญาและปัญญามันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ถ้ามันเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญหาอะไรก็มีความทุกข์มีความไม่สบายใจอนนันมาทําเรื่องนี้มาตั้งแต่พศ2องจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกมันก็หมดพอทุกหมดแล้วก็อดที่จะดูคนอื่นทุกไม่ได้ก็เคยบอกบอกวิธีแก้ทุกบางคนก็เอา มคลก็หม่เอาตรงไม่ว่ากันแล้วแต่ว่ากรรมใครกรรมันคนไหนมีบุญวาชนาปัญญาพอไปกันได้เขาก็เอาก็รับไปใช้เมื่อปนอย่างนั้นเกิมาเมื่อปีองพ้ีศ2 5ย์วาก็ได้รับมีบุไปสอนอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่2540้นจนถึงปัจจุบันก็ยังไปๆป็มาอยู่ที่เมืองไทยสืหกเดือนยุโลกอเมริกาเชืหเดือนอเมริกาส3เดยยุโรปเสื6หเดือนก็วนไปยังมาอย่างนีัิปีแล้วพูดในเรื่องนี้นี่ื่ไม่เลยพูด ทำแต่เรื่องเดียว เ, เรื่องอื่นไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตแต่มันสร้างไปถึงร้อยปีแล้วก็ตายเราไมีพูดเรื่องอื่นถ้าหากว่าทุกมันไม่หมดอ่ะทําไปก็ไรไประโยชน์ใช่ไหมเราจะก่อรสร้างเราจะศึกษาเราจะทํางานโ น, น้นงานนี้ทุกมันหมดลงไปโลกปุโรหิตมันหมดไหมไม่หมดแล้วโลกโรหิตมันเพิ่งเพื่อเราทำไปทําไมอ่ะมันทุกข์อ่ะพอมาศึกษาอย่างนี้ได้มาก็เลยไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นไม่สอนเรื่องอื่นสอนได้เรื่องนี่ หลวงพระเทศจิตเตรสุโพผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านสอนสติเรื่องเดียวเ0ยสสปีสติดูเดียวนะเพราะท่านเข้าถึงคำปศสสองพ0นห้า้เอามาระาผปศสสองพาราก็ปรากฏว่าคนที่ปฏิบัติตามในวิธีการขอเรื่องเดี๋ยวที่ก็ทั่วประเทศเหมือนกันนะทายุโรปอเมริกาส่วนใหญ่รู้จักวิธีการอันนี้แล้วในวิธีการนิต เ, เ, เดี๋ยวนี้เอาเป็นวาระของชาติเลยนะในการสอนการเจริญสติทั่วไปเนี่ย ดังนั้นแยกยมทัหลายเราถือว่าโชคดีที่เราได้มาพบกันน ะ, ะด้วยเหตุ น, นี้มาเองก็เลยไดย้ทุกวันเนี่ยก็เลยได้มาเมืองไทยก็มาได้อยู่สามวันสีวันไม่ได้พักเลยนะก็เลยสนใจเรื่องนี้แหละที่อ๋อกฎหมายเหตุพุทธบ้านพาดบ้างที่มหิดลบ้างที่สารบันญสมสิงบ้างปีนี้พี่สารบัญสมสิงที่บางบุรียอุงกฤษเขาลูกหลานอยู่เขาก็บอกไปอบรมที่นั่นวิธีการนี้นะ พระบันนาสมสีลุงเรียนลูกกรดุลที่บางขุนเทียนได้สร้างศูนย์าการเจริญเศรษแบบนี้ที่บางบางงังมทนะรับได้ทรั้งละสี่สิบคนห้องเดียว80คนห้องปู้นเนี่ยกาเจริญเศรแบบนี้มาก็ไปลงไปทําที่นั่นทุกๆเดือนเดือนได้สิวันแล้วแต่เมาที่10บถึงยีทุกเดือ น, อ น, น, อ น, อนถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะทุกเดือนมาอยู่ที่เมืองไทยครบหเดือนก็เอากลับบางทีก็5เดือนบางทีก็สเดือนก็ไปมาแล้วแต่ภารกิจที่เขาจะนิมนต์ไม่ได้ไปเองนะเขาต้องส่งตัวมาให้เรา ถ้าไม่ได้ส่งตัวมาเราเราก็ไม่ไปนะเขาส่งตัวมาให้เราก็ไปอันนั้นแยกยมทั้งหลายก็วิธีการในนี้ทําให้เรามั่นใจได้ว่ามันจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้แต่ว่าเราคาที่ไหนเราคาที่เราติดของเกา่าไม่กล้าศึกษาของใหม่หรือศึกษาเป็นเล็กๆน้อยๆแผลเป็นนิดเดียวๆอุ้มไม่ดีสู้ของเก่าก็ได้เราก็ทิ้งไปเราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ศึกษาให้มันถึงนะอย่าเราจะเดินไป กรุงเทพเนี่ยราจะไปรถไปเรือไปเครื่องบินก็ไปถึงเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าขอให้มันไปให้ตลอดไปจักรยานก็ถึงจตให้ปั่นจักรยานตลอดไปทางเกวียนก็ถึงเมื่อนการแต่ขอให้เกลียนให้ตลอดไม่ใช่ไปหยุดกลางทางไปเครื่องบินก็ถึงเพรามันไม่ตกกลางอากาศใช่ไหมไปรถที่รถเก่งก็ถึงเพรามันไม่เกิดอุบิเหตุกลางทางด้วยก่อนนะทังนั้นยอดเยียมทั้งหลายเราอย่าแปลกใจในธิรกิจการอันนี้นะาฉะนั้นใน วันพรุ่งนี้นะตอนเย็นที่วัดพระธาตุพนม้ามีประเพณีเอืระไทยลาวที่มาประเพณีบูชาพระธาตุพนมนะก็เลยจะให้มีการอุปโภคกระถานตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงนุ่นตลอดของวันลุกขึ้นจาก4โมงเย็นของพรุ่งนี้จนไปถึงตอนเช้า7โมงเช้าพิธีับบาทวันที่30ปีพระธาตุพนม ออกมาก็เลยได้ถูกทิ่มนต์มาที่ตรงนั้นนะดังนั้นใครที่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมก็ไปที่ตรงนั้นก็ได้หรือบอกว่าเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดที่ท่านใจดีปีหน้ากำจัดอบรมพิวัตสักวันดีไหมหลวงพ่อญาติโยมก็เสนอท่านไปท่านเจ้าวาดท่านใจกว้างไปเสนอให้เปิดอบรม7วันอาจามาก็จะมาให้เกวันเมื่อกี้แต่ต้องอยู่ในช่วงที่อยู่เมืองไทยนะกลับไปมาการแล้วก็ก็ไม่ได้จัดังนั้นก็ถ้าหากวใครอยากจะทําดูก็ ถ้หากยังไม่ได้หลวงพ่อเจ้าว่าท่านยังไม่พร้อมเราก็ขึ้นไปที่จังหวัดนี้ก็จังหวัดเลยก็มีจังหวัดชายภูมินี่มีหลายศูนย์ในพิกันพุเทียนนะยังคุณลูกยมแม่เสือก็โน่นขึ้นไปที่แพร่มาหลายปีแล้วก็จากที่เคยอ่อนแอมีความปกดปวดลงเยอะก็เพิ่งแข่งขึ้นปวปวดลงลดน้อยลงความทุกข์ลดน้อยลงก็แค่นี้ก็พอแล้วนะทีมักปวดพันธ์น้อยก็พอแล้วแต่ถ้าหว่าคนให้มีความสามารถมา ก็ชิมได้มากมีความโลภกลัวสบายตลอดเวลาตลอดชีวิตก็ยู่ดีใช่ไหมดังนั้นจะดยกทั้งหลายในเรื่องเนี้ทําไปแล้วต้องสนุนแน่นอนเราจะไปแปลกใจกันการเกิดรับของของไฟนะไอเราเกิดกับตลอดเวลาในใจของเราเนี่ยน่าจะแปลกใจบ้างนะนะทําไมเราหายใจเข้าแปลกใจไม่เมื่อทำไมเราหายใจออกหายใจออกแล้วไมหายใจเข้าเกิดอะไรขึ้นหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกเกิดอะไรขึ้นเราก็ตาย ถ้าไปนี่มันไม่กี่กิบเดือดมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ของจริงเนที่มันกี่กิบเดือดเปของจริงแล้วนี่มันแสดงทําให้เรารูนะชีวิตของเราก็มีแค่2อย่างมีเข้ามีออกมีหนักมีเบามีสบายไม่สบายมีคิดไม่คิดมีสงบไม่สงบมีฟุ้างซ่านมีความไม่ฟุ้งซ่านก็สลับกันไปอย่างเนี่ยมีพอใจไม่พอใจมีแค่2อย่างจริงๆแต่เราตามมันไม่ทันดูมันเยอะมี อ, อิ่มแล้วก็มีหิวใช่ไหมมีสบายก็มันสลับก็อยู่เงี้ยตลอดเวลาแต่ว่าลึกๆ ข, ของมันต้นกำเนิดของอมันด้วยการอึดดับของจิตเขาเรียกว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็แตกดับเรื่องอนิจจังรู้ขังนักตานั่นเองนะนั้นญาติโยมทั้งหลายในช่วงสั้นๆที่เราพบกันวันนี้หลังจากที่ฟังเรื่องนี้มามาสาธิตให้ดูใครจาได้ก็ถือว่าศาสนาดีใครจามไม่ได้ก็ต้องไป็นมมต่ อ, อวัสนาใหม่จาได้ทุกคนไหม อ่ะทุกคนลองทำกันอีกครั้งหนึนะงแน่เราคือท้ายสักห้านาทีตั้งเกลตรงหายใจเข้าลึกๆปรับร่างกายให้สบายาความจำมันตัวไม่เพี่ยงขึ้นขึ้นลงแต่มาได้แต่ทำเรื่องนี้มาเนี่ยทำงานได้ทหนักทั้งง่วมานั่งรถมาที่เนี่ไม่เกินกว่าหกร้อยกิโลเนี่ยก็ทํางานได้เลยมันไม่ได้นไม่เพลียอะไรทนะ่านถามว่าอสติเราขึ้นแข็งนะเพราะนั้นยายโยมทั้งหลายว่าเรื่องนี้มันทําให้ร่างกายสบายจิตใจสงบจริง เอามาไปมีการเนี่ไปพก็ทํางานได้เลยไม่ต้องมานั่งพักหาเรือปรับเวลาเท่านั้นชัุ่โมไม่ต้องมาเมืองไทยลงเครื่องพ่ก็ทํางานต่อได้เลยเพราะอะไรเพราะเราทำมาตฐานเรื่องนี่ตัดสเวลามันทาให้ร่างกายเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งโรคภัยแค่เจ็ดก็มีน้อยไม่ใช่มีนะมีน้อยแล้วก็รักษาง่ายมันจะเป็นอะไรค่ชั่วข้ามคืนมันก็หายแล้วไม่ใช่เดือนร้างสามวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่ใช่ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกได้ต่ดเวลามาตฐานแบบนี้ ถากรรมฐานแบบอื train, ่นฝ <Yeah. S 1> anyway. ึกได้ปิดบางครั้งจะฝึกมากกว่าได้มนังไกลสู้ไม่ไหวใช่ไหมแต่กรรมฐานแบบนี้มันไม่ต้องเรียนด้วยเองทำได้ตลอเวลายืนทํานั่งทํานอนทําเดินทําและทํางานก็ทําได้เวลาจะล้างถ้วยเช็ดบ้านทูเรือนซักผ้าอาบน้ำกินข้าวทําได้หมดขณะทานข้าวเราก็ทํากรรมฐานจากการเคี้ยวข้าวพ่าอข้าวแต่ละคานี้เคี้ยวได้อีกครั้งนะแล้ว แล้วก็เกินกี่ทีนะเวลามันจะเกินมันเกิอนอย่างไรเวลาเคี้ยวเนื้อนปวดอันไหนละเอียดอันไหนไม่ละเอียดโอ้สนุกแระทานข้าวกรรมฐ า, านนะ่ะมันมีกรรมฐานบ้างไหมเวลาทานข้าวเนี่ยแต่ต้องทําไม่ได้ฝึกทําไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ใช่วันเดียวได้หมนะฝึกมันทุกวันทุกเดือนทุกปีมันจะต้องสํานานได้ปีหนึ่งเข้าห้องน้ำเราทำยังไงก่อนเรารู้สึกตัโลภหนะัก เรารู้สึกกลัวปวดน่ะรู้สึกกลัวปวดเราเราพรวดไปเลยใช่ไหมเราเคยกําหนดรู้ว่าเราลุกยางไงกอนที่จะถึงห้องน้ำเคยกำหดรู้ไหมไม่เคยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกเวลามันอยากจะเข้าห้องน้ําก็แบบพรวดไปเลยใช่ไหมแล้วก็มานั่งอย่างนี้เอ๊ะฉันไปถ่ายมาได้อย่างไรไม่รู้ตัวเลยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกสติสมาธิเยอาไว้อะแล้วกีเล่มันก็เข้ามาแทรกตอนที่เรามีตัวนั่นแหละนะไอตอนที่เรามีตัว เมื่อเราสมบจนกระทั่งว่าขาสติก็ลืมตัวก็ลืมตัวมันก็หลงหลงแล้วว่าเราตั้งใจดีนะตั้งใจเจริญกรมมฐานตั้งใจเจริญสมถะนิพพานาแต่ทําไม่ถูกมันกลายเป็นตั้งใจทําตาค้าโตสาโมหะให้มันเพิ่มขึ้นมันเป็นอยมันข้างเลยเพราะนั้นเราทํากรมมฐานตลอดปีตลอดชาติก็บรรลุธรรมก็ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไปเสริมเกียรให้มันเพิ่มขึ้นทําเกียรให้มันละเอียดขึ้นอ่า ดังนั้นเรื่องนี้จรงขอให้แยกโยมได้ตั้งใจทำกันนะม่กกี้เรานั่งทำจำมันก็ได้ใช่ไหมลองยิ้มทำอีกทีได้ไหมอาเตรียมตัวลุกขึ้นยืนลงทำไงก่อนที่จะยืนทำไงขยับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวถึงปลดผ้าเลยนะให้ขยับตัวอย่างรู้สึกตัวโยมที่อยู่ข้างนอกโดนฝนไหมให้โดนฝนเข้ามาในศาลานะแต่ว่าถ้าอุทิศเพื่อพศาสนายอมเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเพราะไม่ว่าอะ ไ, อเนนเไอรเข้าใจนะอานั่งลง ก็เป็นอันว่าภาคสาธิตทั้งหมดถ้าใครเอาไปทำได้ก็เหลือแต่เวลาเดินจงกรมกับเวลานอนไปทำเอาที่บ้านนะเดินแบบนี้แหละเพื่อที่จะให้เราได้อาหารหลายๆอย่างเรียกว่าได้ธรรมธาตุธรรมธาตุหมายความว่ามันจะเป็นธาตุอะไรธาตุรู้ธาตุตื่นธาตุเบิกบานธาตุศีลธาตุสมาธิธาตุปัญญาธาตุญาณธาตุเมตตา อะไรธาตุหลายอย่างเนี่ยมันเข้าไปบำรุงจิตใจของเราให้มีพลังมีความเข้มแข็งอาหารของเราหลายอย่างในนั้นก็ทําให้เราเป็นอาหารที่ดีทําให้ร่างกายเราเข้งแข็งธรรมธาตุก็เราทําเรื่อยๆอย่างนี้แหละนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้องทําได้เรื่อยๆนะไม่ใช่ทาบ้างหยุดบ้างแต่ทําในอิริยาบทเราอยู่ในอิเดียบทไหนก็ทําอิเดียบทน้นเพื่อให้รู้ตัวว่าเรากําลังพูดอะไรเรากําลังคิดอะไร และเรากําลังทําอะไรสิ่งที่เรากําลังพูดกําลังทำกำลังคิดมันถูกหรือมันผิดมันควรหรือไม่ควรมันเบียดเบียนตนเองหรือเบียดบียนคนอื่นมันเป็นความจริงหรือไม่จริงเนี่ยแล้วก็ทําไปศึกษาไปตรวจสอบไปถ้าทําอย่างเนี้ชีวิตของเราก็จะปัญหาค่อยลดลงลดลงลดล ง, ลดลงอยู่ไหนก็สบายร่างกายก็สบายจิตใจก็สงบอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นทางของมรรคของผลแล้วเพราะอะไรเพราะมันสบายตั้งแต่ต้แตตนแต่ถ้ามันทุกข์ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ สงสัยเหมือนกันเอ๊ะปฏิบัติมานานแล้วฉันน้อยั้งทุกข์อยู่นะปฏิบัติมานานเขาว่าอะไรก็ยังโกรธอยู่นะปฏิบัติมานานเห็นอะไรแล้วก็อยากได้อยู่นะอะคิดยังฟุง้งซ่านนอะนไมาหลับอยู่นะมันปฏิบัติมานานทําไมถึงไม่ได้ผลอนะ่ะก็เพราะเราปฏิบัติยังไม่ถูกต้องเราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะว่าชีวิตชีวิตหนึ่งเราจะมาจมกับความผิดพลาดอยู่ตลอดชีวิตจนตายมันไม่คุ้มค่าอันไหนที่ดูแล้วมันไม่เข้าท่าก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ได้ปรับแก้ไขปรับแก้วอยัอยงนั้นนะ่ะทุก เป็นตัวปัญหามีที่มาเรียกว่าสมุทยัยแล้วแก้ไขให้มันได้เรียกว่านิโรธและวิธีแก้ไขเรียกว่ามัจเพราะฉะนั้นเอมีมีสูตรตายตัวสูตรสําเร็จอยู่แค่นี้เองในการแก้ปัญหาความทุกข์คือปัญหาของสัมพสสัตทั้งหลายและความทุกข์ที่มีมันมีสาเหตุที่ไปที่มามันไม่ได้เกิดมาจากาแรงบันดาลของเทพพระเจ้าแรงบันดาลของเชตากรรมแรงบันดาลของอเทพองค์ใด แต่มันเกิดจากความเราไม่รู้ไม่เห็นต้นต่อของมันนั่นเองเรียกว่ารากของทุกข์เราทุกข์นี้ดับได้ดับได้อย่างไรต้องหาวิธีการเพราะฉะนั้นสมถธิและวิปัสสนาในเป็นมรคคือวิธีการเราก็มาทําอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอยญาติโยมทั้งหลายบัตหนี้จะมาได้ทําการสาธยายและให้วิธีการสาธิตเพียงพอที่โยมจะไปทําเองได้และถ้าหากว่าใคร เอาไปปฏิบัติแล้วมีความสงสัยข้องใจอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้อย่างยมนกยุงอยู่ที่นี่ยมเสือไม่ค่ยสามารถถามได้ลูกหลานอย่างในบอลในโตที่เคยปฏิบัติก็สามารถสอบถามเขาได้ท่านเหล่านี้ไปปฏิบัติคาตมาหลายปีก็ให้คําตอดเบื้องต้นได้แต่ถ้าอยากจะทําให้หลายคนอยากจะทําให้มากกว่านี้ก็ปีต่อไปมีความพร้อมหลวงพ่อจเจ้าว่าท่านใจกว้างขวางท่านก็อาจจะ นีมม่มนพระมาช่วยพาญาติโยมปฏิบัติสักหวันเจวันก็ได้ถ้า 35, มีความพร้อมก็พร้อมเสมอที่จะช่วยได้นะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาศึกษาเรียนรู้วิธีกรรมฐานแบบนี้เอาไปพิจารณาพิสูจน์ใช้ไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้พิสูจน์ดูก่อนว่าใช้ได้กับตัวเองไหมถ้าใช้ได้ก็ไปทําได้เรื่อยๆถ้าใช้ไม่ได้ก็พร้อมที่จะวางแล้วไปทําอย่างเดิมก็ได้ไม่มีปัญหา แต่ขอให้มีเวลาได้พิสูจน์ก่อนนั่นเองด้วยความตั้งใจในวันนี้ขอให้เป็นเพราะปัจจัยให้เกิดสติสมาธิปัญญาสามารถเห็นเส้นทางที่อยากเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นีโดยกันทุกคนทุกท่านเทิน